คนใหญ่คนจะไม่รู้ทั้งหมนี้มี ม, มีที่ปฏิบัติธรรมคนที่มาทําบุญที่วัดตอนช้าเขาไม่รู้คนใหญ่เขาจะไม่รู้คนใหญ่เขาก็มามาทําบุญกับบาททาเทศเกิดเขาแขั้งหมดนี้ก็ก็ไม่ค่อยได้ปล่อยให้ใครขึ้นมาเพราะ ก, กลัวเขาจะขึ้นมาแล้วก็จะม า, ม า, มาแล้วก็กลัวครับ สร้างความวุ่นวายที่มันไม่ค่อยใหญ่อะไรต้องระมัณระวังนะด<อ><ข>ูเป็นภูเขาขที่เป็นเขตของโงฆที่เราใช้ปฏิบัติที่มีสักกี่ไร่ได้ไหมก็ประมาณไม่ค่อยได้ไม่ทราบแต่เนื้อที่ของของเขตเขานี่นทั้งหมดประมาณสองพัไนไร่หลบห ก็มีถนนยิ่งรอบประมาณเกือบ8กิโลถนนที่เป็นยินนน่นรอบถนนส่วนเขตที่ของข้ายอยู่นี้ก็ก็อาจจะปรม า, าสักร้อยไร่ได้มันคือภาพรูป80ไร่มันเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นวงกลมเนี่ยมีทางเดินแล้วก็อ้อมกลับออกมาตรงนี้ก็จะมีกุฏิแยกแยกไปตามทางต่ากุฏิวันนี้ก็อยู่ได้ประมาณแค่สิบแล้วูป ก อ, อยกันาก็ไม่ไม่ไม่ไม่มีมากย่วนหญก็จะ 5, อ, อยู่แค่ห้าหกรูแล้วที่นี่ก็แบบว่ายังไม่ค่อยมีไม่มีคนรู้จักเท่าไหร่ขถ้าพ่บวชเขาก็อยากจะถ้าพปฏิบัติเขาก็อยากจะไปอยู่กับครูบาอาจารย์ ส่วนพวกที่บพวกที่บวชทุกชั่วคราวเขาก็ไม่ได้ไมตั้งใจจะปฏิบัติเขาก็ไม่ค่ายชาบทีกขึ้นมาเพราะข้างบนนี้มันมันกันดา่านเพื่องไฟฟ้าก็ไม่อยู่น้ำก็ต้องอาใสยน้ำฝนล่อใส่ท่านก็ต้องใช้ประหยัดเพราะว่าน้ำมันไม่มากมีแท่สองสาสองตุ่นตุ่น นใหญ่ก็ต้องอาศัยลงไปข้างล่า ง, งเป็นการชาเวลาเราจ ะ, จะลงไปดิในดินระบาดก่อนจะออกในระบาดก็อาจจะของน้าที่ท้างางานก็ได้ที่นั่งมีน้ำตักางมีฟ้ า, ฟาที่ขวบนี้เวลาของน้กาก็แบบปะหยัดขยับหน่อยสี่ห้าขันใน <c oughs> พอําละพอเว็คูให้ตำละกลิ่นตัวอะไรทั้งย แต่ถ้าคนที่ชอบความสงบเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ถึงว่าสงบกระสับความสงบนี่มันมันมีความสุขมากกว่า ม, มากกว่าความสุขที่ได้จากการอาบน้ำไม่เยอะอาบน้ําฝักบัวอบน้ํำนะอาบน้ําในอ่าง ม, มันก็สุขแค่ขนาดที่อาบเท่านั้นพอออกจากห้องน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ร้อนลนะีจิตใจก็ร้อนต่อ แต่ถ้าจิตใจมันเย็นจากความสงบแล้วนั้นมันเย็นตลอดเวลาเรื่องของใจเย็นเป็นเรื่องที่สําคัญกว่าเรื่องอื่นถ้าเราเข้าถึงใจแล้วเราได้เห็นความสงบของใจแล้วเราจะสามารถสลาดทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าเถ้าใส่ใจที่ได้รับการดูแลรักษาได้รับการอบรม ให้สงบไม่ให้วุ่นวายตามกระแสของความอยากต่างๆความอยากนี้มันเป็นเป็นตัวที่สร้างความวุ่นวายให้กับใจของพวกเราแต่พวกเราไม่ค่อยรู้กันว่าเราอยู่ภายใต้ของกระแสของความอยากมานานจนติดจนมิสยัยใจถ้าได้อะไรทำได้ไตามความอยากแล้วจะมีความเจ็บ เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดหรือติดพวกจุฬาหรืบุเรย์ถ้าได้เสพพวกนี้มาเป็นประจำแล้วเวลาอยากจะเสพที่ไรแล้วได้เสพมันก็มีความสุขแต่ถ้าวันไหนไม่ได้เสพขึ้นมาก็จะรู้ว่ามันเป็นความทุกขแต่ก็ไม่ปล่อยให้มันทุกนานไป ต, ต้องรีบไปหามา บ, บําบทความทุกข์ โดยการหามมาเสกส่อไโดยกลายเป็นธาตุของของสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดจากความอยากเป็นตัวพาไปเราก็เช่นเดียวกันเรามีความสุขกับความอยากกันเวลาเราอยากจะไปไหนแล้วเราได้ไปเราก็มีความสุขแต่ถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราไม่ได้ไปช่วงนั้นเราจะมีความทุกข์มากเพื่อนสูงก็ไปกินเลี้ยงกันเราก็ได้นอนอยู่ บ้านนี่นอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็มีความทุกข์ใจแต่พอเราออกจากโรงพยาบาลเนื้อหายจากทขนะ้แล้วเราก็ต้องรีบไปทันทีมีโอกาสเดินไปเข้าไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดคิดเลยว่าว่าการไปนี่มันเป็นการเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราที่จะรอเราอยู่ภนะัยในภาคหน้าเวลาที่เราไม่สามารถ ทำตามส่งที่เราต้องการได้เดี๋ยวไม่อเช้านี้ก็มีหญิงชราสมเด็จมาลูกเขาพามาทําบุญก็เป็นอมตพุกเดินกระโกกระเพกลูกก็ต้องประคับประคองมะแต่ก็ยังอยากจะทําบุญแล้วลูกก็บอกว่าถ้าอยากจะทําบุญจะต้องพยายามเดินมาให้ได้เพราะว่ลื่นเข้าไปถึงจติไม่ได้ก็ต้องเดินไปเดินไปแล้ว แต่ก็จิตใจก็มีความทุกข์มากเพราะว่าร่างกายไม่สามารถทำอะไรตามความความต้องการอย่างที่เคยทําได้ก็พยายามปลอบใจเพราะว่าเป็นเหมือนกันทุกคนเวลาทุกคนอืน่นยก็ต้องเป็นอย่างนี้ได้ไนทำไมต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้เจ็แล้วก็ต้องตายไปด้วยกันเท่านั้นเพียงแต่ว่าใจของเรามันไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้เป็นอะไรตามร่างกายมีแต่เท่นั้นเอง ถ้าเราสามารถระงับดับความอยากที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยอาศัยร่างกายของเราเป็นตัวพาไปเป็นเครื่องมือทําเราจะไม่เดือดร้อนเลยถ้าเราสมมว่าเป็นอม a t ธรรมภ า, าไปไหนไม่ได้มันถ้าต้องอยู่กับที่ให้อยู่ไปใจมันไม่ได้อยากจะไปไหนมันก็ไม่เดือดร้อนใจมันก็มีความสุขเหมือนเดิมใจรู้จักทําความสงบให้เกิดขึ้น คามทุกมันเกิดความรื่นลมตะเกียบระกายขอความอยากคือความอยากนี้มันทําให้จิตกระเสือกกระสนรื่นนยมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ได้กระทําในสิ่งที่ตนเองอยากจะทำเวลาได้กระทําก็มีความสุขนี่เป็นจิตของคนที่ไม่มีไม่เคยพอกับความสงศ์แต่คนที่พอกับความสงศ์แล้วจับเห็นการกระเสือกกระสนนี้เป็นความทุกข์ เป็นความวุ่นวายไปไหนจะทะําำลายถ้ามันเรื่องมากก็อย่าจะทํำมันดีกว่าอยู่เฉยๆแค่นั้นอย่างนี้นนสบาย ก, นน ก, กินแล้วนอนก็พอแล้วเราที่กินแล้วนอนจะไม่ได้เนื่องจาอยู่ไม่เป็นสมดุลก็เพราะว่าจิตใจของเราไม่ได้รับการดูแล ร, รักษานีไม่ได้รับการกำจัดความอยากที่มีภายในจิตในใจของเรา เพราะพวกเราไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นโทษเราอยู่กับมันมามันเปนเ็นเพื่อนของเรามันเป็นเพือนตัวที่จะเมลมิย์สิ่งต่งางๆที่เราที่ให้มาให้กับเราเราอยากได้อะไรเราก็ไปหาเมาได้โลกนี้จึงมีของ เ, เป็นไปหมดนลยของทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลิตออกมานี่ก็ออกมาจากความอยากของมนมุษย์เราเท่านั้น แล้วสิ่งเหล่านี้มันให้ความสุขกับเรามากน้อยเสิ่งไรแล้วให้กับความทุกข์กับเรามากน้อยสิ่งไรเราไม่เคยเอามาชั่งดูกันพอเราเกิดความอยากมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องขนขวายหามาหามาได้ไม่นานก็ต้องหาสิ่งสิ่งใหม่สิ่งอื่นมาแทนสิ่งที่มีอยู่เพราะสิ่งที่มีอยู่มันไม่มีความหมายแล้ว ของในบ้านเราจนเต็มไปหมดหาที่เก็บไม่ได้อย่างเสื้อผ้านมีเป็นจิดสิบชุดหร้อเ็ร้อยชุดก็มีสำหรับแต่บางคนรองเท้านี่อาจจะมีเป็นร้อยคู่ก็นีทั้งที่รองเท้าก็มีอยู่เพียงคู่เดียวเท่านั้นเองเวลาใส่ก็ใส่ได้เพียงคู่เดียวแต่ความอยากมันไม่มีของไม่มีถือพอม่เห็นคู่ใหม่มันก็ติดใจอยากจะได้ขึ้นมา นี่มาใส่คนเดียวแล้วก็เก็บไม่เต็มตู้บางทีอาจจะไม่ได้ใส่เลยเรือง น, นี้นเราไม่ค่อยคิดกันเพราะว่ามันมันบาดใจเราพอเวลาอยากจะได้อะไรแล้วไม่ไม่ได้ทําไปตามที่อยากมันทรมานว่ากถึงต้องทํากันไปเรื่อยๆชีวิตของเราก็เลยวนเวียนอยู่กับการแสวงหาสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆเหมือนกับวิ่งตะคุกเงาตัวเราเอง เงามันเงาของตัวเรามันจะทอดไปข้างหน้าอยู่เสมอเราเดินตามเงาไปเงา ม, มันก็หนีเราไปเรนะื่อยๆความพอก็เหมือนกันความพอที่จะเกิดจากความอยากแล้นมันไม่มีคิดว่าได้สิ่งนี้แล้วจะพอมันไม่พอพอได้มานะมันก็มีสิ่งอื่นที่อยากจะได้อีกเราจึงต้องเข้ามาแก้ปัญหาที่ใจเราเองเพราะใจเรานี้เป็นผู้สร้าง ความสุขและสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองใจมีพระพุทธเจ้าสอนกันไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประหาคิดถึงทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจไม่ว่าจะเป็นความสุขก็ดีความเจริญก็ดีความทุกข์ก็ดีความเสื่อมก็ดีนุ้นเกิดจากใจตั้งนั้นถ้าใจฉลาดก็เรียกว่ากุดลาธรรมาใจมีปัญญาใจก็จะสร้างสิงที่ดี ที่งานที่สุบใ่้กับเราถ้าใจเป็นใจที่พ่อขาวรอปัญญาที่เรียกว่ามีอากุศลาคือมีความหลงอยู่ในใจมีอวิชชาความไม่รู้อยู่ในใจก็จะไปตามความอยากต่างๆดังนั้นเราจึงต้องมาพิจารณาดูว่าเราควรที่จะทำอะไรกับใจของเรา ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องอาศัยการศึกษาการได้ยินได้ฟังประทำคาสอนของพระพุทธเจ้าจากพระพุทธเจ้าเองก็ดีหรือจากพระอริยสงสารโลกทั้งหลายเองก็ดีถ้าฟังแล้วเราก็จะได้เกิดปัญญาขึ้นมารู้ว่าเราควรที่จะทำอย่างไรถึงที่จะทําให้เรามีความสุขมีความเจริญอย่างวันนี้ที่เรามา มาทำบุญกันนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลาธรร ม, มาเป็นการกระทําที่เกิดออกจากความสลับออกจากปัญญาเพราะเป็นการกระทําที่จะทําให้ใจิตใจมีความสงบการทําบุญให้ทานนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะคอยที่จะช่วยตัดความอยากความต้องการต่างๆได้ทําให้จิตใจเกิดความอิ่มเกิดความสงบ ข, ขึ้นมาถึงแม้จะไม่ได้ มากม า, กายกลายกองแต่อย่างน้อยก็จะช่วยดับหรือต้านความอยากได้ในระดับหนึ่งเช่นเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งวันนี้เราอาจจะมาทําบุญกันห้าร้อยบาทพันบาทเงินห้า้อยบาทพันบาทนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาไปทําอะไรจะเอาไปซื้อของตามความอยากของเราก็ได้เช่นอาจจะไปซื้อเสื้อผ้อาชุดหนึ่งก็ได้ซื้อไปแล้ว มันก็มีความเึก่อขณะที่ได้ของนั้นมาแต่ความอิ่มความพอมันไม่อยมันจะมีความอยากเพิ่มขึ้นอีกเพราะพอได้ชุดนี้มาแล้วเดยนเดินออกไปเห็นชุดใหม่เขาแขวนอยู่ในตู้ตามร้านก็เห็นว่าสวยก็อยากจะได้อีกถ้าเราเอาเงินห้าร้อยหรือ0ันบาทนี่มาทําบุญแทนที่จะไปซื้อ เิ็งที่เราอยากจะได้มันก็ทําให้เราตัดความอยากได้ในระดับหนึ่งแล้วเงินที่เราเอามาทําบุญนี้ก็จะทําให้จิตใจของเรามีความสุขเพราะว่าเวลาเราได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์สําหรับผู้อื่นให้ความสุขกับผู้อื่นเราจะมีความสุขใจตามไปด้วยมีความอิ่มใจตามตามมามีความสุขตามมา ถ้าเราทําไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะเริ่มเห็นว่าการทําบุญนี้มีความสุขใจมีความอิ่มใจเพราะบุญนี้มันเป็นเหมือนกับอาหารของจิตใจนั่นเองส่วนการกระทําความอยากนี้มันเป็นเหมือนกับเหมือนกับตัวพยาธิที่จะคอยคอยทําให้เรามีความสิ้อยู่เรื่อยๆ ทำตามความอยากมากน้อยเพียงไรก็ไม่พอทั้ทีคนบางคนที่เขาหาเงินมาได้เป็นหมื่นล้านแสนล้านเขาก็ยังไม่ยังไม่พอเขาก็ยังอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะว่าการทำรายการตามอยากไม่ได้ทําให้จิตใจนั้นอิ่มนั่นเองแต่คนที่ให้ทําบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆนั้นจิตใจเขาจะไม่ค่อยมีความอยากเท่าไหร่ เขาจะมีความสุขเขาจะมีความสมานใจไม่มีอะไรเขาก็อยู่ได้เพราะธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้ยิ่งได้มามากก็หลั่งตามความอยากยิ่งมีความอยากต้องการเพิ่มมากขึ้นไปยิ่งตัดความอยากด้วยการเสียสละสิ่งที่ตนเองมีอยู่ไปคือแทนที่จะเอาเอาไปซื้อของหรือเอาไปกระทําตามความอยาก ความอยากนั้นมันก็จะถูกตัดไปเมื่อความอยากถูกตัดไปกําลังของความอยากมันก็จะอ่อนไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราอยากจะทําอะไรแล้วเราไม่ทามามําตามฝางอยากนั้นครั้งต่อไปความอยากนั้นก็จะเบาลงไปเช่นเวลาเราเราอยากจะเสดชุลายามาเราเคยเสดอยู่เป็นประจำพอถึงเวลาก็จะเสดแต่วันนี้เราตัดสินใจว่าวันนี้จะไม่ จะไม่เสร็จมันจะไม่ดื่มวันหนึ่งพอพรุ่งนี้ความอยากจะดื่มมันก็จะเบาลงไปแล้ววันต่อไปถ้าเราไม่เสรมันอีกไปสักสองสามครั้งเท่านั้นเองมันก็จะรู้สึกเฉื่ยมันจะไม่มีกําลังธรรมชาติของความอยากเป็นอย่างนั้นยิ่งทําตามความอยากมากน้อยเพียงไรมันจะยิ่งทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นเพียงนั้น ทังเปลียนดูสมัยที่เราเป็นเด็กๆความอยากของของเด็กๆ ก, ก็เป็นระดับนึงเด็กๆได้จะตังไปซื้อขนมก็มีความสุขละแต่พอโตขึ้นมาหน่อยก็ต้องซื้อของที่แพงขึ้นต้องใช้เงินมากขึ้นแล้วมาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยิ่งใช้เงินมากขึ้นไปใหญ่พวกเราทุกคนเนี่ยไม่เคยมีความพอกับการใช้เงินใช้ทองหาเงินหาทองมาได้มากน้อยเพียงไร ถ้าใช้ไปตามความอยากจะรู้สึกว่าเงินทองไม่ค่อยพอใช้ได้เงินเดือนรายได้มาเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยพอใช้อยู่เสมอเพราะมันจะมีรายจ่ายเพิ่มตามมากับรายได้ที่เราได้รับว่าความอยากของเรานั้นก็จะขยายแผ่วงกว้างขึ้นไเรื่อยๆแต่ถ้าเราเคยถูกถกดผัดให้ใช้เงินใช้ทองตามความจําเป็นคืออันไหนที่ไม่จําเป็นก็ไม่ไปใช้มัน แค่ เ, เสื้อผ้าเรามีพอแล้วเรามีสองสามชุดเอาไว้ใส่เอาไว้เปลี่ยนมีรองเท้าสักคู่สองคู่ไว้ใช้เท่าที่จำเป็นแล้วถึงแม้เราจะมีเงินจะมีรายได้มากขึ้นเราก็ไม่ใช้เงินนั้นเราก็จะรู้เราก็จะเห็นว่าเงินของเรานี้มีเดือดใช้เพราะเราสามารถควบคุมความอยากของเราไม่ให้มันเป็นตัวฉุดลากให้เราไป ไปทําตามความต้องการความอยากนั้นเพราะมันไม่มีสุดมันไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่มีขอไม่มีเขตถ้าเรามีเงินมากเราก็จะซื้อของแพงๆมากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเราอาจจะขับรถคันละห้าแสนต่อไปเราอาจจะขับรถคันละห้าล้านก็ได้มันก็ลดเหมือนกันมันก็พาเราไปจุดหมายปลายทางได้เหมือนกัน เพียงแต่ว่ามันมีลักษนิยมสูงขึ้นมีราคาแพงขึ้นนั่นเปัญหาของคนเราก็เลยอยู่ที่ว่าไม่เคยไม่เคยมีความสุขกับการใช้เงินใช้ทองเพราะว่าใช้ใช้ไปเท่าไหร่มันก็จะไม่พอใช้อีกตามไปถ้าใช้ไปการความอยากความต้องการแต่ถ้าใช้เป็นตามความจําเป็นแล้วจะมีเงินทองเหลือ แล้นเงินทางเหลือแล้วได้เอาไปทําประโยชน์เอาไปช่วยเหลือคนอื่นเอาไปทําบุญทําทานก็จะทําให้จิตใจมีความสุขยิ่งมีความอื่นมากขึ้นยิ่งทําให้ไม่ไม่มีความอยากที่จะต้องการสิ่งย่าง ม, มากขึ้นคนที่ทําบุญจริงๆและทำบุญเป็นนี้จะเป็นคนสมถะตัวเองจะไม่ค่อยมีสมบัติอะไรมากยกตัวอย่างถ้าถึงสุดก็แบบ พระกูบาจารย์ทั้งหลายท่านอยู่ยังไงท่านก็อยู่อย่างนั้นท่านก็มีแค่สมบัติแค่แปดิ้คือริฐานแมีบาทใบหนึ่งมีผ้าสามผืนมีมีมีมกมมีมีมีมีมีมีมมีมีมีมีมีมีมมีมีมีมีมีมีมีีมีมีมีมีมีมีมนมีมีมีมมีคนมาจากมากีีมีมีมีมีีีมีมีม้าีท่านก็ไม่ได้ีมามีมีมีมมีมีมมีมีมอมีมีมีมีมีมีมีมีมีมี มีเทายรท่านก็เอาไปทําประเยอะเวลาเราเห็นคนที่ต้องตกทุกข์ได้ยากเขาได้ได้รับการเยียวยาได้รับการช่วยเหลือมันทําให้เรามีความสุขใจพอเวลาเราตกทุกข์ได้ยากแล้วมีคนเข้ามายื่นมือมาช่วยเหลือเราเราจะมีความรู้สึก ด, ดีอกดีใจเราจะมีความรู้สึกสุขใจมากความสุขนั่นแหละมันก็จะกลับมาหาเราเอง การจะทำอะไรที่ท่านบอกว่าทำทำความสุขให้กับผู้อื่นสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราทําความทุกข์ให้กับผู้อื่นทุกนั้นก็จะกลับมาหาเราถ้าเราไปเบียดเบียนผู้อื่นเราไปสร้างความทุกข์ความเจ็บช้าน้ําใจให้กับผู้อื่นความทุกข์ความเจ็บช้ำน้ําใจนั้นก็จะกลับมาหาเราเวลาเราไปทําอะไรใครเขาเดือดร้อนแล้วใจเราก็ไม่สบายใจเราก็วิตกเราก็กังวล เพโดยธรรมดาติเราก็รู้ว่าคนเราเมื่อเขาเจ็บเขาก็จะต้องอยากที่จะทําให้เราเจ็บเหมือนกันเราก็ไม่อยากจะเจ็บเราก็เลยเกิดความตัวขึ้นมาเกิดความวิตกกันขึ้นมามันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาส่วนเวลาเราช่วยเหลือใครใ ห, ให้เขามีความสุขเราก็รู้ว่าเขาจะไม่มาทำอะไรเราเพราะเขาจะมีความขอบขอกขอบใจในจิตในใจของเขา มีแต่คิดจะหาเวลาหาโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณที่เราได้ช่วยเหลือเขาทั้งๆ ท, ที่เราก็ไม่ได้ไปหวังอะไรจากเขาเพราะการทำบุญที่จะให้เกิดความสุขที่แท้จริงต้องทำโดยปราศจากความหวังผลตอบแทนจากผู้ที่เราให้การช่วยเหลือเราช่วยเหลือก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจเห็นเขาทุกข์เห็นเขายากเห็นเขาลำบากก็อยากจะให้เขาได้พ้นจากความทุกข์ความยากความลำบากนั้น เราก็ทําไปเท่านั้นเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราทําแล้วเราหวังที่จะให้เขามีสํานึกว่าเราได้ทําสิ่งที่สิ่งที่ดีให้กับเขาแล้วเกิดเขาไม่ได้มีความสํานึกอย่างนั้นเราก็จะเสียใจหรือเราจะไม่พอใจถ้าเราทําแบบนั้นก็ไม่ได้เป็นการทําดีมันเป็นเหมือนกับการทําการท้ามากกว่ามัมีการแลกเปลี่ยนกันฉันทําอย่างนี้ให้กับเธอเธอจะต้อง ทำอย่างนี้ให้กับฉันเพื่จะต้องขอบอบขอบใจจำเล็กในบุญคุณที่ฉันได้ทําให้กับคุณอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการทําบุญหรือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันกาแรแลกเปลี่ยนมันก็จะไม่มีไม่มีผลทางด้านจิตใจเหมือนกับเราทําราค้าขายคนมาซื้อของเราก็ให้ของออกไปเราได้เงินเข้ามาก็เท่านั้นหรือเราเอาเงินไปซื้อของเราได้ของมาเขาได้เงินไป จิตใจก็จะไม่มีความรู้สึกอิมเอิบใจแต่อย่างไรแต่ถ้าเราเอาเงินนี้ไปแจกไปจ่ายโดยที่ไม่ไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากการให้เงินนี้ไปเราจะมีความสุขใจขึจ้นมาใจได้คลายความยึดติดอยู่ในเงินก้อนนั้นเงินก้นอนนั้นก็หมดภาระกับเราไปเราไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาเสียดาย เงก้อนเดียวกันนี้ถ้าให้ไปด้วยความสมัครใจมันเป็นความสุขแต่ถ้ามันดุดมือไปโดยที่เรายังไม่ได้พร้อมยังไม่ได้ตั้งใจก็โดนขมโมยไปเรื่องเงินเงินหายไปเงินก้อนเดียวกันนี้มีความแตกต่างกันเพราะขณะนั้นจิตใจเรายังไม่คลายความยึดติดอยู่ในเงินก้อนนั้นยังถือว่าเป็นของฉันอยู่พอมันหายไปเท่านั้นก็วุ่นวายใจเสียใจเสียดาย แต่ถ้าตั้งใจว้าเงนินก้อนนี้จะเอาไปทำบุญเป็นของบุญไปแล้วไม่ใช่เป็นของเราพอมันหายไปก็จะไม่เสียใจอะไรเพราะว่าก็ตั้งใจที่จะเอาไปทำบุญไปแล้วถ้ามันหายไปใครขโมยไปก็ถือว่าเป็นการทำบุญให้กับคนนั้นไปก่แล้วกันเราก็จะไม่เสียใจการทำบุญอย้เรื่ยจึงจะทำให้เราไม่ค่อยมีความทุกข์กับการกับการพลาดพเ่วัตถุเข้าของต่างๆ พอเราให้มีอย่างสม่ำเสมอพอเกิดมีขโมยขึ้นบ้านมาขโมยข้าวของไปเราก็จะรู้สึกว่าดีไม่ต้องขนข้าวไปทําบุญให้เสียเวลามีคนมาขนให้เราถึงที่บ้านเลยแล้วเราก็มีโอกาสได้ซื้อของใหม่ๆมาใช้ซึ่งเขยกโทรทัศน์ไปเครื่องเก่าเราก็จะได้ใช้เครื่องใหม่เพราะโดยปกติเราเป็นคนสมนถะเราก็ไม่อยากจะใช้ของที่มันไม่จําเป็น คือเงินเราจะซื้อเครื่องใหม่เรามีอยู่แต่เมื่อเครื่องเก่ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ไม่อยากจะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แต่ที่นี้เมื่อมันถูกขโมยไปแล้วมันก็มีความจําเป็นให้เราซื้อเครื่องใหม่ได้ซื้อเครื่องหม่แบบนี้ไม่ซื้อตามความอยากก็ไม่เป็นกิเลสไม่เป็นความทุกข์เพราะมันเป็นความจําเป็นอย่างนี้ก็ก็เป็นความคนที่ขโมยเครื่องเก่าไปเขาก็ได้เขาก็ได้เงินก่อนนั้นไป เราก็ได้เครื่องใหม่มาดูนี่คือความคิดของคนที่ทำํำคนอยู่วยด้วยๆจิตใจจะเป็นอย่างนั้นเวลาถึงเสียอะไรจะไม่ร้องหมร้องไห้จะไม่โ ว, วยวายจะไม่วุ่นวายใจจะถือว่าเป็นเป็นเรื่องปกติเพราเราเกิดมาแล้วอยู่ในโลกของความไม่เพิ่งแทรแน่ น, นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่มันเป็นสมบัติเชื่อคราวเท่านั้นเองแลไมไ่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเรา เมื่อเช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปหรือมันก็ต้องจากเัาไปมันเป็นความจริงของโลกนี้โลกนี้เป็นที่ที่เรามาสว้ยบุญหรือสร้ยกรรมเพี่ยแล้วก็มาสร้างบุญด้วยมาสร้างกรรมาว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้อยู่แค่เพียงพบน้ชานิชา น, นั้นร่างกายของเรานี้เป็ น, เ, ปนเพียงเหมือนกับเสื้อผ้าอาภรณ์ ใจเราใจเรานี้มีชีวิตที่ยืนยาวนานเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายเวลามาเกิดในภพนี้ช้ามนี้ก็เหมือนกับมาเอาเสื้อผ้ามาใส่ชุดหนึ่งเท่านั้นเองแล้วเมื่อเสื้อผ้าชุดนี้ขาดไปเราก็เปลี่ยนชุดใหม่เราจะได้ชุดใหม่ที่ดีกว่าเก่าหรือเร็วกว่าเก่าก็อยู่ที่บุญกรรมที่เรามาสร้างกันในวันนี้ถ้าเราสร้างบุญมากกว่าสร้างกรรมเสื้อผ้าชุดใหม่ไหมก็จะดีกว่า ชุดกำคือเราจะได้พบชาติที่ดีกว่าที่เรามีอยู่ในขณะนี้แต่ถ้าเราทำสร้างกรมากกว่าสร้างบุญเราก็จะได้เสื้อผ้าที่แย่กว่าหรือเร็วกว่าที่เรามีอยู่คือคพบชาติที่เราจะไปเกิดใหม่นี้มันก็จะเร็วกว่าคพบชาติที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ดังนั้นถ้าเราจะมองชีวิตของเราอย่าไปมองที่ร่างกาย ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตัวตนที่แท้จริงของชีวิตของพวกเราตัวตนหรือชีวิตที่แท้จริงของพวกเราก็คือตัวใจตัวใจที่ไม่ตายตัวใจที่จะจะไปเปลี่ยนจะไปครอบครองร่างกายใหม่จะ่าที่ร่างกายนี้มันแตกสลายไปแล้วร่างกายนี้ถ้าเปลี่ยนเที่ยวก็เหมือนกับเสื้อผ้าของใจเสื้อผ้าของเราที่เราใส่ทุกวันนี้เราก็ใส่เป็ ตอนเช้าพอถึงตอนเย็นเราอาบน้ำาถ้าเราก็เปลี่ยนใหม่ใส่ชุดใหม่ชุดเก่าก็หมดไปม่วนใดร่างกายนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้เมื่อมันแตกแบบสลายไปมันก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าชุดเก่าเราก็ต้องหาชุดใหม่มาเปลี่ยนเราจะได้ชุดดีกว่าเดิมหรือเรวกว่าเดิมก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราสร้างไว้ในพบนี้และพวกในอดีตที่เราได้ทําไว้ที่ยังไม่ได้ส่งผล ตามมาคือในอดีตเราก็ทําบุญทำกรรมมาด้วยเหมือนกับในภพนี้ชาตินี้เราก็ทําบุญทํากรรมมาด้วยบุญกรรมที่เราทําในอดีต บ, บางส่วนยังไม่ได้ส่งผลมันก็ยังสามารถส่งผลให้กับเราได้ในชาติหน้าและบุญกรรมที่เราทําในชาตินี้มันก็ผสมประสัยไปด้วยก็สามารถส่งผลให้กับชีวิตของเราในภพต่อไปได้นี่คือหลัก ความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านเข้าถึงหรือท่านมองเห็นได้ด้วยการปฏิบัติธรรมถ้าเราอยากจะรู้เรื่องจิตเรื่องใจของเราเราต้องปฏิบัติภาวนาเพราะถ้าเราไม่ภาวนาแล้วเราจะไม่เห็นตัวใจขณะที่เราจิตของเราเป็นจิตปกะตินี้มันจะคลุกคลีคลุกเค้าอยู่กับลูกเสียงกลิ่นรสผละพระ มันจะคุกเข่าอยู่กับร่างกายตลอดเวลาจนทําให้เกิดความรู้สึกว่าร่างกายกับใจนี้เป็นอันเดียวกันเป็นเหมือนเสาแฝที่ไปไหนก็ไปด้วยกันมาทั้งแต่เกิดเลยพอเราเกิดออกมาจากท้องข้อท้องแม่เราก็มีทั้งกายทั้งใจแต่ใจนี้มันเป็นส่วนที่ละเอียดไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าดังนัเรามองเรามองเห็นเพียงแต่ร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่น ส่วนใจของคนอื่นนะั้นเราเห็นได้เพียงแต่ผลที่ตัวจากการกระทำคือการเคลื่อนไหวของกายและว่าจานี่เป็นผลของการกระทำของใจเราพูดอะไรเราต้องอาศัยใจเป็นผู้สั่งการใจต้องคิดแล้วถึงพูดออกมาได้เราจะไปไหนมาไหนเคลื่อนไหวทำอะไรกับร่างกายเราก็ต้องอาศัยใจนี้เป็นตัวสั่งการเราถึงเคลื่อนไหวได้ ถ้าร่างกายนี้ไม่มีใจหรือใจแยกออกจากร่างกายนี้ไปแล้วร่างกายนี้ก็จะเหมือนท่อนไม้ท่อนคืนหรือจะเรียกว่าเป็นซากศพก็ได้เช่นคนตายนั้นไม่ไ ม, มีไม่มีใจอยู่กับร่างกายแล้วจะสั่งให้ร่างกายนั้ข ย, ยับเขยื่อนไปไหนไปทําอะไรก็ไม่มีใครสามารถสั่งร่างกายนั้นได้เพราะมีใจของของของ ข, ข, ข, ของร่างกายนั้นเท่านั้นที่จะสามารถสั่งได้เมื่อใจไม่ได้อยู่ในร่างกายนั้นแล้วคือตัด แยกกันไปนั่ไปคนละทางแล้วร่างกายนั้นก็มีแต่จะรอวันเวลาให้มันเสื่อมสลายเปื่อยเน่าเปื่อยกลับคืนสู่ธาตุเดิมคือกลับคืนสู่ดินน้ำหมู่ฝันเ่านั้นเองถ้าอยากจะรู้ใจว่าเป็นอย่างไรก็มีทางเดียวก็คือการภาวนาเหมือนกับเราอยากจะดูเชื้อโรคในร่างกายเราก็ต้องอาศัยกล้องสุนทรัณฑ์ให้วหพวกหมอพวก พยาบาลเวลาเขาจะตรวจโรคเขาก็ต้องเพาะเชื้อเอาส่วนได้ตัวนหนึ่งออกจากร่างกายแล้วก็เอาไปส่องดูในกล้องจุลทรรศน์ก็จะเห็นว่ามีมีมีเชื้อโรคอะไรอยู่ในในในในชิ้นนั้นในตัวอย่างที่เอามาจากออกมาจากร่างกายต้องอาศัยกล้องถึงจะมองเห็นการภาวนา น, นี้ก็เป็นเหมือนกล้องจุลทรรศน์ ถ้าเราภาวานาจนทําจิตใจให้สงบรวมลงเป็นหนึ่งได้เราจะเห็นตัวใจเพราะในขณะจิตรวมลงเป็นหนึ่งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหายไปนหมดไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสกฎสัพเหรือร่างกายนี้มันจะหายไปจากความรี้สุดมันจะเหลือแต่ตัวรู้อยู่ตัวเดียวที่เรียกว่าสัตว์ตะวันอันนี้จะเกิดขึ้นว่าต่อเมื่อเราควบคุมจิตใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เรียกว่ากรรมฐาน จะเป็นพุโทโธก็ได้เป็นอานาปณ ะ, ปะสติก็ได้หรืออะไรที่ถูกเจริต ก, กับเราเราก็กําหนดให้อยู่ให้จิตอยู่กับอารมณ์นั้นๆอย่ากปล่อยให้จิตไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าสามารถทำได้จนถึงจิตที่มันรวมลงเป็นหนึ่งได้แล้วก็จะเกิดความแตกประหลาดมากาตกใจใจในขณะนั้นมันอยู่ตามลาพังของมัม มันไม่รับรู้เรื่องร่างเรื่องราวต่างๆภายนอกไม่ว่าลูกเสียงก yup. ลิ่นร้อยผลจากะเรื่องเรื่องราวของร่างกายมันจะไม่เข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจอะไรแบบนี้เราจึงรู้ว่าอ๋อนี่แหละคือใจใจเป็นอย่างนี้เรารู้ว่าไอ้ตัวนี้ที่มันไม่ได้เป็นกายรู้ว่าเวลากายมันเป็นอะไรไปไอ้ตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับกายไอ้ตัวนี้มันจะไปหรือไม่ไปก็ขึ้นอยู่กับ ว่ามันมีมีเชื้อของพวกของชาติหรือไม่ถ้ามีเชื้อของพวกของชาติมันแห่งต้องไปเชื้อของพวกของชาติก็คือความอยากนั่นเองถ้าไม่มีความอยากแล้วมันก็ไม่ไปไหนมันก็จะเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ที่เรียกว่าเป็นจิตนิพพานจะเห็นได้ก็ต้องเกิดจากการภาวนาในทะเล ทำภาวนาแล้วจิตลมล ง, ลงพอเห็นจิตนี้ก็มานะครับว่าตอนนั้นจิตถึงนิพพานเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นท่าเป็นนิพพานก็เป็นนิพพานชั่วคราวคือขณะ น, นั้นมันเหมือนกับเป็นนิพพานคือมันมันสงบสะอาดแต่ความความส่วนที่เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นกิเลสปัญหาเครื่องซองหมองมันยังไม่ได้ถูกกาจัดออกไปมันเพียงแต่สงบตัวลงไปด้วย ถ้าเป็นน้ำก็เป็นเงินน้ำที่เราใช้สารส้มก็ไปแกนจนทําให้ตะกอนแยกออกจากน้ําตะกอนมันก็ตกลงไปอยู่ใต้ใต้ตุ่มส่วนน้ําก็อยู่ส่วนน้ําแต่ยังไม่ได้รับการแยกออกจากกันถ้าเราไปตักน้ําขึ้นมาใช้เดี๋ยวน้ํามันก็ขุน่นเพราะตะกอนมันก็จะลอยตัวขึ้นมา ถ้าเราต้องการที่จะแยกเราเราก็ต้องอาศัยธรรมะอีกขั้หนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญาเราต้องแยกว่าอะไรเป็นเป็นสิ่งที่ควรที่จะเก็บไว้อะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเก็บไว้สิ่งที่ไม่ควรจะเก็บไว้ก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเราต้องกําจัดมันให้หมดไปเพราะพวกนี้เป็นเป็นเหมือนกับเป็นตัวเป็นตะกอนของน้ำ เราต้องแยกมันออกออกจากน้ำให้หมดถ้าสามารถแยกออกจากน้าให้หมดเนื้อแยกออกจากใจให้หมดได้ใจกจ็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาการที่จะทำใจให้บริสุทธิ์ได้นี่ต้องอาศัยปัญญารืะ ว, วิปัสสนาต้องพิจารณาให้เห็นให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีความเป็นตที่เราอยากก็เพราะว่าเราหลงนั่นเอง เราหเห็นสิ่งใดที่เราถูกอกถูกใจเราชอบขึ้นมาเราก็อยากจะได้เพราเราคิดว่าเราได้แล้วจะให้ความสุข ก, กับเราเราต้องมองให้เห็นว่ามันไม่ได้ให้ความสุข ก, กับเราแต่มันจะให้ความทุกข์กับเรามากกว่าเช่นสมมุติเราอยู่คนเดียวเรามีความทุกข์กับอะไรบ้างก็ไม่มีก็มีความความทุกข์กับตัวเราเท่านั้นเองถ้าเราเอาอะไรมาเป็นสมบัติเราก็ต้องทุกข์กับสมบัติที่นั้นเอารถมาคันหนึ่งก็ต้องมาทุกข์กับรถยนต เราจะต้องคอยดูแลคอยเติมน้ํามันคอยคอยเอาเข้าอู่เอาคอยต้องคอยดูแลรักษาไม่ให้ถูกขโมยไปพอถูกขโมยไปเนื้อหเกิดมันเสียมันพังไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเลถ้าไม่มีมันก็ไม่ถตร้อนกับประโยชน์ถึงแม้ว่ามันจะมีประโยชน์ถึงแม้จะมันมีอะไรก็ตามแต่มันก็มีมันก็มีโทษอยู่ในตัวของมันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะได้ที่เราคิดว่าเราได้มาแล้วจะให้ความสุขกับเรามันก็มีความทุกข์ซ่อนอยู่หรือตามหรือหรือติดติ ด, ตดอยู่ในตัวนั้นมันรอเวลาที่จะปรากฏขึ้นมาท่านั้นเองพอได้อะไรมาแล้วก็กลายเป็นภาระสังดงานติดใจที่จะต้องคอยดูแลรักษาคอยะวงคอยกังวลแล้วก็ต้องมาเสียจับเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่มันเสียไปเมื่อมันหายไป เมื่อก่อนนี้เราไม่มีเราก็จะไม่มีความทุกข์ความกังวลเราไม่อยู่เพียงแต่ว่าเรายังไม่มีปัญญาพอที่จะหักห้ามจิตใจของเราไม่ให้ไปอยากได้สิ่งต่างๆมาเท่านั้นเองเมื่อพอเกิดความอยากแล้วมันเหมือนกับถูกตะกนจิตต้องหามาให้ได้เห็นอะไรถูกถูกใจแล้วมันทนไม่ได้ที่จะที่จะปล่อยให้มันอยู่เฉยๆต้องไปคว้ามาให้ได้ มีเงินทองมากน้อยเพื่อนรายก็ต้องขนมาไปไปซื้อมาให้ได้เช่นเครื่องของต่างๆที่เราซื้อมาใช้กันทุกวันบางทีมันไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องมีแต่เราอยากจะได้แล้วเรามีเงินทองที่จะซื้อก็ไปซื้อมันมาซื้มาแล้วก็ต้องมาคอยดูแลรักษาพอหายไปก็เสียใจแต่ก็ไม่แขกก็รีบหาซื้อมาใหม่เามาดเทดแทน นี่คือความความอยากเราต้องเห็นนะว่ามันเป็นโทษถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาและตั้งไปเราก็จะไม่อยากยิ่งยิ่งถ้าเรามีความสงบอยู่ในใจแล้วมันจะง่ายเราจะสามารถปัดความอยากได้เพราะความสงบในใจนี้มันมีมันมีความอิ่มมันมีความพออยู่ในตัวของมันเพียงแต่ว่าเวลาที่ยังมีความอยากนี้ความอยากนี้มันก็จะมาท้าทายต่อสู้กับความ ความสงบของจิตใจเราพอมันเกิดความอยากขึ้นมาแล้วความสงบที่มีอยู่ก็เหมือนกับถูกทาลายไปแต่ถ้าเรามีสติเราเรียบใช้ปัญญาพิจารณาเข้มามาแก้ทันทีว่าเอามาก็เท่า น, นั้นแหละเอามาได้มาแล้วก็จะวุ่นวายต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าทันมันก็ดับมันได้อย่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาทันกับกิเลสถ้าปัญญาทันกับกิเลสกิเลส ก, ก, ก, ก็ถูกทาลาย ถ้าปัญญายังช้ากว่าที่เก็ยังต้องไปเอามาแบกบเป็นกองทุกข์ต่อไปก็ยังไม่หลุดพ้นถ้าจะหลุดพ้นก็ต้องทันกับกับความอยากทุกชนิดอยากจะได้อะไรมาปั๊บปัญญามาหยุดมันทันทีเป็นความทุกข์นะเป็นความวุ่นวายนะไม่มีสบายกว่านะถ้าอย่างนี้มันก็จะสามารถผ่านกันไดน้มันก็ดับกันได้ อยาจะทําทันก็นได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งสมสถะและวิจัสณ์าโดยจะปล่อยให้จิตอยู่เฉยเฉยแล้ไม่มีการควบคุมดูแลด้วยสติด้วยปัญญาด้วยสมาธิไม่ได้ไม่น่าเวลาดเวลาเนี่ยมันต้องอยู่ยอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่อยู่ในสมาธิถ้าออกจากสมาธิก็ต้องมีสติมีปัญญาคอยคอยคุมอยู่ทุกเวลาคุมดูความคิดนี่แหละความคิดก็คือตัว เครื่องมือสองใจเวลาเห็นอะไรปั๊บมันจะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาทันทีทั้งสองส่วนนี้ก็เป็นปัญหายินยินดีก็ทําให้เกิดปัญหาความอยากได้ยินร้ายก็เกิดความวิพวิพภะวิภวะปัญหาความความอยากเฉลิมแจกสิ่งนั้นไปเราต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เรามองเห็นนั้นมันไม่ได้มีมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายมันก็มาจาก ดินน้ำลมไปทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นนี่มันไม่มีอะไรที่ไม่ได้มาจากดินน้ำลมไฟแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ไม่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเห็นอะไรดูอะไรปั๊บช้แเราก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปถึงแม้จะชอบไม่ชอบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าเราทำใจให้เฉยๆเป็นอุเบกขาเ๋ไม่ต้องไปไวุ่นวายกับมันมันก็จบ แต่ถ้าเห็นอะไรแล้วชอบตั้งใจมันก็คล้อยตามวิ่งตามถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมันก็พยายามวิ่งหนีแต่ถ้ามันพิจารณาว่ามันก็มันก็เป็นเพียงศักแต่ว่าท้านั้นเองเป็นรูปเป็นเสียงมันเกิดดับเกิดดับไปตามเรื่องของมันเราจะชอบไม่ชอบเราก็อย่าไปสนใจมันจะดีกว่าอย่าไปชอบหรือไม่ชอบมันดีทุกันพยายามรับรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้ตามความเป็นจริง ขณะนี้เราได้ยินเสียงถ้าเกิดเราไม่ชอบเสียงนี้เราจะเกิดความรู้สึกทรมานในจิตใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเฉยๆกับมันไม่ไม่ได้ชังไม่ได้ชอบมันก็จะไม่ได้สร้างความวรบกวนใจให้กับเราถ้าเกิดเราชอบเสียงนี้แล้ว เ, เกิดปัญหาไปแล้วก็เกิดความเสียดายขึ้นมาเั้นปัญหาของเราอยู่ที่ชอบหรือไม่ชอบเวลาเราสัมผัสกับอะไรไม่ว่าจะมาทางตาหูจมูกร่างกายใจ ต้องมีสติปัญญาคอยคอยวบคุมไม่ให้มันไปชอบหรือไม่ให้มันไปนหลงโดยการที่จะโดยการให้รู้ทันว่ามันเป็นไตรักทั้งสิ้นมันเป็นของในเคร่องถ้าไปยินดีไปยินร้ายกับมันก็จะเกิดความทุกข์ตามมาถ้าแล้วก็ไปบังคับมันไม่ได้อยากจะให้มันอยู่ถ้ามันไม่อยู่เราก็เสียใจอยากจะให้มันไปแล้วมันไม่ไปเราก็เสียใจแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรกับมัน มันจะอยู่ก็ให้มันอยู่ไปมันจะไปก็ให้มันไปตามเรื่องของมันอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาเพื่อปล่อยวางรับรู้แล้วก็ปล่อยวางอะไรมาสัมผัสรับนิ้แล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องอยากให้อยู่ไม่ต้องอยากให้ไปเมื่อยังอยู่ก็อยู่ไปเมื่อยังเหมือนถ้าไปก็ก็ให้ไปใจไม่ได้มีความผูกพันกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสใจเหมือนกับว่าไม่มีกาว ไม่มีกาวหลงเหลืออยู่ในใจกาวนี้ก็คือตัณหายุบตัวอุปทานนี้ความยึดมันมม่นตือมั่นสังเกตดูถ้ามีกระดาษอะไรที่มันมีกาวพอเราเอานิ้วไปแตะปั๊บมันก็ติดแน่นเลยใจของเราก็เหมือนกันถ้ามีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมีความยิมนยดียินร้ายอยู่มันก็จะติดเลยพออะไรมาสัมผัสกับใจปั๊บมันก็จะเกิดอาการติดขึ้นมาเกิดภาวะเกิด กามัตต์ตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณห า, า, า, หาจะขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาไขาคุ้นอยู่เรื่อยๆว่าตลอดเวลาแนละ้วมันก็จะรู้ทันเวลาเกิดความยินดีก็ตัดได้เวลาเกิดความยินร้ายก็ตัตได้อย่างน้คับปรับไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะกลายเป็นนิสัยใช่ไหมกลายเป็นเฉยๆไปแต่ไม่ได้เป็นแบบเฉยเมยเฉยแบบรู้ทันรู้ทุกิ่งทุกอย่าง เลาวรู้ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรคือถ้ายังต้องทําะไรเจวาครยก็ยังต้องทักทายกันก็ทักทายกันไปพูดกันใจมีอะไรจาแต่นี้แล้วพูดก็ทําพูดไปทําไปตามเห็นตามของแต่ไม่ได้ไปยึดไปติดกับมันพูดได้ก็พูดทําได้ก็ทําถ้าทําแล้วพูดแล้วไม่ได้ตังใจก็ไม่เสียใจก็ถือว่าเราทําหน้าที่ของเราแล้วคนที่เขาฟังเขาไม่สนใจที่จะฟังในสิ่งที่เราพูดก็ช่วยไม่ได้ เราไปห้ามเขาไม่ได้เราไม่ไปเดือดร้อนอะไรกับมันคือเมื่อเรายังอยู่ในโลกสมมติอยู่เรายังต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิงีอยู่เราก็ไม่ได้อยู่แบบคนหูหนกตามบอดคนที่มีมีปัญญาไม่ได้เป็นแบบคนเฉยเมยเฉยมิงแต่ไม่ได้เฉยเมยจิตใจเฉยเพราะไม่ได้มีความยินดียินร้ายแต่มีปัญญาที่จะใช้เหตุผลพิจารณาว่า ควรที่จะปฏิบัติอย่างไรกับสิต่งางๆที่มาเกี่ยวข้องด้วยควรจะพูดมากน้อยเพียงไรควรจะด่าหรือควรจะชมก็พูดไปตามฐานะตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นเองประโยชน์ของผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับเราส่วนตัวเรานั้นไม่ได้หวังประโยชน์อะไรจากใครแล้วเพราะได้ประโยชน์เต็มที่จากการปฏิบัติของตนเองเกิดได้ดูแลรักษาใจาของตนเองให้ อยู่เหนือสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องได้ไม่ให้มีสิ่งต่างๆมาทำให้จิตใจวันไหวได้ไม่ว่าจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่งดีใจก็ตามเสียใจก็ตามจะไม่เกิดขึ้นกับใจที่ได้รับการดูแลด้วยธรรมะคือสมาธิและปัญญาหนึ่งนี่คือการดูแลรักษาใจเราได้รับยใจได้รับการดูแลรักษาแล้วจนกระทั่ ง, ทงไม่มีอะไรสามารถมา มากระทบมาสร้างความหวั่นไหวให้กับใจได้แล้วใจนั้นก็สบายเป็นเหมือนกับหินต่อให้มีพายุมาพัดแรงขนาดไหนก็ไม่สามารถพัดให้หินก้อนนั้นขยับขึ้นได้นี่แหละคือผลที่เราจะได้จากการปฏิบัติธรรมเริ่มต้นตั้งแต่การทำรํำดีให้ทานรักษาศรรีลแล้วก็ภาวนาจนกระทั่งทำให้จิตใจเป็นจิตที่อยู่เหนือ อำนาจของความอยากที่คอยขัดคอยจุดคอยลากให้เราต้องไป เ, เวียนว่ายตายเกิดไปแสวงหาสิ่ ง, งต่างๆมาแบบไม่รู้จะเกิดจากขึ้นมาเป็นเวลาน า, านแล้วจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้มาเจอศาสนาและเราไม่ได้เอาศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการได้มาพบพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับย า, ารักษาโรค ถ้าเราไม่เอายามารับประทานร่วกของเราก็ไม่หายยาจะวิเศษขนาดไหนก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่รับประทานยานั้นศาสนาพุทธวิเศษขนาดไหนจะทําทให้คนเป็นพระอหรหันต์ได้ก็ตามถ้าเราไม่เอามาปฏิบัติกับตัวเราเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากศาสนาดังนั้น<ม>เราจึงไม่ควรที่จะประเสียด้กับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนี้ถ้าเราต้องเลือกระหว่างการปฏิบัติตามศาสนา กับรักษาสิ่งอื่นนั้นขอให้เราเลือกทางาศาสนาแล้วเราจะไม่ขาดทุนถ้าเราเลือกอย่างอื่นแล้วเราจ ะ, จะเราจะเราจ ะ, เราจะผิดหวังเราจะไม่ได้รับประโยชน์เพราะอำนาจของกิเลสมันหลอกเราได้ยังคนเยอะที่ไม่เห็นคุณค่าของาศาสนายังไม่เห็นว่ า, าศาสนานี่มีมีคุณค่าอะไรกลับจะเห็นว่าเป็นเรื่องงมงายเสียมากกว่าเพราะตนเองไม่เคยศึกษากับาศาสนานั่นเอง แต่คนใดที่ได้ศึกษาจับจักจันทร์อย่างลึกซึ้งและได้นำไปปฏิบัติแล้วจะเห็นคุณค่าของจันทรนี้ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเพชรเงินจินดาเงินทองกองเท่าภูเขานะั้นไม่มีความหมายเลยสําหรับจิตใจเพราะจิตใจมันไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้ไม่ได้นับความสุขจากเงินทองกองเท่าภูเขานะี้แต่จะถูกเงินทองกองเท่าภูเขานะั้นบีกดให้มีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลา มีคนตลาดจะเห็นอย่างนั้นแต่คนโล่กขาจะเห็นตรงขั้นยิงน่งมีเงินเยอะยิง่ยงมีความสุขแต่ไม่รู้ว่ากําลังกอดอยู่กับกองระเบิดลูกๆ ร, ร, ระเบิดที่มันจะระเบิดใส่เราเมื่อไหร่ล้วก็ไม่รู้เวลาที่เราทุกข์นั่นแนหะเราถึงมันก็มันก็เําจับเงินทองที่เรามีอยู่นั่นเองดางนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงให้ความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเอามาสั่งสอนพวกเรา ขอให้เราเนาะมาปฏิบัติตามกําลังแห่งจัตตากาําลังสติปัญญาของเราเท่าที่เราจะสามารถปฏิบัติได้อยา่าท้อแท้อย่าไปมองคนอื่นเราทํามากน้อยเท่าไหร่เราทําได้ก็ทําของเราไปคนอื่นก็ทําได้มากน้อยกว่าเราก็เรื่องของเขาว่าเราแต่ละคนมีบินบา ร, รมีสร้างมาไม่เท่ากันอย่าอย่างน้อยสิ่งที่เรามีเท่ากันก็คือโอกาสโอกาสที่เราจะสามารถสร้างบินบา ร, รมีในชาตินี้ได้ก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้มันผ่านไป แล้วชีวิตของเราจะมีความหมายและเราจะมีประโยชน์ที่จะตามมาต่อไปอย่างนั้นก็ขออุทิศน้อยเพียงเท่านี้ต้นที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของคนสมัยนี้ชอบวัตถุดิยมนะฮะสมเข้าของ เกินความจําเป็นอะไรครับในแง่เวลาโยมพิจารณาคงจะมองว่าเออของที่เราจะที่จะหามามาจะสะสมนั้นมันของจําเป็นในชีวิตหรือไม่อแต่ถ้าบอกว่ามองในแง่ของหลักธรรมที่จะพิจารณาเอาวิยาให้พิจารณาเราคงจะมองในแง่ของไตรลักษณ์ที่มันมันอย่างไรหรือมันมันดีความจำเป็นอะไรก็จักเลยถ้ามองในไตรลักษณ์เราจะเห็นผลที่มันจะกระทบก่อจิตใจของเรา ว่าทุกสิ่งทกอย่างมันจะมีผลเสียมากกว่าผลได้คือมันจะทําให้จิตใจเราต้องมาวุ่นวายกับมันต้องสังเกตดูได้อะไรมาสักชิ้นหนึ่งเป็นทาระแล้วซื้อโทรศัพท์มือถือว่าสักเครื่องหนึ่งก็ต้องคอยชาร์จมันแ่ะวต้องคอยคอยดูคอยดูแลคอยรักษามันแล้วแล้วเผลอลืมไปที่ไหนปั๊โพใจก็หายแล้วนี่แต่เรื่องทําให้เกิดความทุกข์ใจนะฮะแต่สู้มีบัตรใบเดียวไม่ได้สบายกว่า อยากจะใช้ก็ไปเสียบบัดเอาตามเครื่องตามที่ไหนก็มีมันสบายไปเยอะสบายทางด้านจิตใจแต่จะไม่อาจจะไม่สบายทางด้านการใช้มันเพราะว่าต้องเดินหาเครื่องแต่มันก็ทำให้เราเกิดความขยันมังเพียงมีความอดทนอดกั้นแต่ถ้าเรามีมือถือมันไม่มีความอดทนอดกั้นอยากจะพูดจะคุยกับใครก็กดปุด๊บก็ได้พูดได้คุย ถ้าูดคุยเรื่องธุระมันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าไาพูดคุยเรื่องอารมณ์นี้ไม่ดีกลับเสียใจที่โทรไปหาคนนั้นแล้วโดนคนนั้นก็ด่ากลับมา <c oughs> ทูไม่โทรไปดีกว่า ท, ท, ทูไปมีเครื่องโทรจะดีกว่าได้่อย่างนี้ทุกอย่างถ้าเรามันถ้ามันจะจําเป็นก็ไปอย่างเพราะชีวิตของคนเรายังมีความจําเป็นต่อการทำมาหากๆๆินบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเครื่องมือได้โทรศัพท์นี่ก็เป็นเครื่องมือได้ ถ้าเราโทรแล้วเราสามารถขายของขายประกันได้อย่างเงี้ยได้รายได้ไดมาเนี้ยมันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าโทรไปแล้วมีแต่เสียเงินแล้วต้องมาร้องห่มร้องไห้จากการโทรมันก็เหมือนกับคนบ้าใช่หไหม <laughs> เสียเงินแล้วยังต้องมาเสียใจโทรไปหาแฟนแล้วแฟนไม่พูดด้วยอย่างเงี้ยทุกคนนี้ถึงแจะรู้ก็อยู่เรอยู่ในกฎรรของใจเราคนาานะคะแต่บ า, าครั้งก็เกิดมีความท้อแท้ในจิตใจนี่ย ไม่ต้อเสียหวังจริงๆที่ทําให้เราจกิดอย่างนี้ดเนินชีวอยู่ต่อไปได้โดยที่ไม่ทอแท้กับสิ่งนั้ต้องพยายามทําสมาธิให้ได้สมาธินี่จะเป็นตัวที่พึ่งของจิตใจถ้ามีสมาธิแล้วมันจะไม่ท้อแท้กับอะไรพอมันท้อแท้มันก็เข้าไปถือในสมาธิแล้วทุกอย่างมันก็จะหายไปความท้อแท้เกิดจากความคิดปรุงของเราสร้างมันขึ้นมาเองพอเราสงบปับความท้อแท้มันก็หายไป หน้าี้ที่เราขังก็คือที่หลบที่รึ่งของใจนั้นก็คือความสงบนี้เหมือนกับเวลาฝนตกแดดออกถ้าเรามีบ้านที่หลบแดดหลบฝนได้เราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่มีที่หลบแดดหลบฝนเราก็ต้องทนกับแดดกับฝนไป พ, พวกเราก็เหมือนกันที่ไม่มีสมาธิก็เหมือนกับคนไม่มีที่หลบแดดหลบฝนนั่นเองเวลามีความทุกข์ก็ไม่รู้จะเป็นหลบที่ไหนแต่ถ้าเราฝึกทําสมาธิอีกเรื่อยๆเช้าเย็น อย่างน้อยอไม่ถึงกับสงบเป็นที่ก็ได้อย่างน้อยก็ให้รู้จักสวดมนต์ใช้สักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงในเวลาสวดมนต์ไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงไอ้เรื่องราวต่างๆที่มันมาสร้างความทุกความท้อแท้มันก็จะไม่มีโอกาสเข้ามามาเบียดเบียนใจเราได้เพราะใจเรากําลังสวดมนต์อยู่ไอ้ความคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องท้อแท้มันก็หายไปมังก็ความท้อแท้มันก็หายไปทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการสร้างขึ้นมาในจิตของเราเอง โดยเอาเรื่องราวต่างๆภายนอกมามาคิดหมาปรุงถ้าเราไม่คิดใน่ปรุงแล้วเรื่องรายมันจะมันเดือดร้อนมันจะวุ่นวายขนาดนั้นมันก็ไม่เข้ามาสื่อใจเราปัญหาก็คือว่าเราไม่สามารถทาใจของเราให้สงบได้พอมีเรื่องราวอะไรภายนอกเราก็เดินเข้ามาเหมือนกับไปเอาไฟข้างนอกมาเผาใจเราฉันั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการทําจิตใจให้สงบให้ได้ เราจริงต้องต้องปฏิบัติทุกวันอย่างน้อยเชา้าอย่างควรจะมีมีการนั่งสมาธิหรือไหว้พระสวดวนพระครึ่งชั่วมงหร้วช่วโมงแล้วก็เวลาอื่นก็สุดแท้แต่ถ้าเรามีสติเวลาเราทำงานช่วงไหนมีเวลาว่างเราก็หาหาหาที่สงบตรงไห น, นล้วก็ไปทำจิตแห้สงบทำไปเรื่อยๆทำให้เป็นติตมันเป็นนิสัย ส่วนใหญ่เวลาเรามีความไม่สบายใจเรามักจะไประบายมันด้วยวิธีอื่นบางทีก็ไปเปิดเพลงฟังบ้างบางทีก็ไปเกิดห น, นังสือดูบ้างบางทีก็ไปเดินเที่ยวที่นั่นที่บ้างนั่นไม่ใช่เป็นวิธีที่จะจะจะจ ะ, จะช่วยเราจริงๆแล้วบางทีดูไปมันก็ยังหอดที่จะคิดไม่ได้ฟังไปมันก็ยังอดที่จะคิดไม่ได้ แต่ถ้าเราสามารถสวดมนต์เงินทําจิตให้สงบได้แล้วอเรื่องราวที่เราจะคิดมันจะไม่เข้ามาในจิตใจของเราแล้วต่อไปเราจะมีกําลังที่จะต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างสมาธินี่จะมีตัวสําคัญมากในวงปฏิบัตินี่ถือว่าเป็นตัวหลักคือจะทําอะไรก็ตามเนี่ยต้องทําจิตใจให้สงบก่อนหลวงตาท่านก็เคยเล่าให้ฟังตอนที่ท่านจะกลับหลวงปู่มั่นหน่อยไหมหลวงปู่มั่นท่านก็เล่าท่านก็พูดว่า ผมไม่ได้ประมาทในความรู้ของท่านมหาเนะียท่านก็เป็นมหานะสารประโยชน์แล้วมีความรู้ทางด้านธรรมะมามากแล้วแต่ถ้าว่าความรู้เหล่านี้ไม่ช่วยท่านได้เลยไม่เป็นประโยชน์กับตัวท่านเลยถ้าจิตทางด้านยังไม่สงบ ใ, ในเบื้องต่อ น, นี้อยากจะให้ท่านเก็บธรรมะที่ไว้บนทิ้งก่อนนะความรู้ที่ท่านได้เรียนมาจากปริญญาต่างๆนา้ให้แขวนไว้ก่อนเรามาทําจิตให้สงบ เราอยู่กับพุทโธอย่างเดียวนี่แหละทําจิตใจให้มันสงบให้ได้พอจิตสงบยาทตรงนี้มันจะเป็นฐานของวิปัสสนาของปัญญาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเราจะสามารถนําเอามาทําได้เอามาปฏิบัติได้สิ่งที่ถ้าเรายังไม่มีความสงบนี้เราทําไม่ได้เรารู้ว่าอันนั้นไม่ดีรู้ว่าอันนี้ไม่ดีก็ยังเลาะไม่ได้เลือกไม่ได้เวลาท้อแท้ก็ไม่รู้จักวิธีดับความท้อแท้นั้นแต่ถ้าเรามีความสงบ ทำจิตให้สงบไปแล้วพอมันวุ่นวายปับแล้วก็จับมันมาสงบตัวแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปหมดความ ว, วุ่นวายมันจะเห็นอยู่ในตัวของเราเนี่ยความวุ่นวายกับความสงบมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจเราตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่เห็นแล้วก็ไปหลงคิดว่าความวุ่นวายอยู่ภายนอกพอเห็นสิ่งต่างๆวุ่นวายใจเราก็วุ่นวายตามไปเรื่ถ้าเราจะไปเอามันเข้ามาในใจเรามันก็ไม่มวุ่นวายรู้แล้วก็ตัดรู้แล้วก็ปล่อยมันมันอยู่ตรงไหนก็ปล่อยไปปล่อยไว้ตรงนั้น บางทีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเช้านี่แล้วเรายังวุ่นวายแบบมาถึงมาถึงตอนนี้ยังเอามาคิดอยู่ตอนนี้ใครเขาพูดคําเดียวว่าเราไม่ดีเนี่ยบางทีเราก็โกรธตั้งแต่เช้ามาถึงตอนบ่ายก็ยังโกรธ อ, อยู่คิดถึงคนนั้นคิดถึงเราพูดของคนนั้นเขาก็ยังโกรธ อ, อยู่เพราะเราเพราจิตของเราไม่ว่างจิตของเราไม่สงบไม่เป็นนั่นเองแต่ถ้าเราจิตสงบเป็นว่างเป็นแล้วอะไรมันมามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะดับไป มันไม่มันไม่มันไม่ต่อมนยังเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นอยากจะให้ฝึกทำสมาธิให้ได้าการจะทำสมาธิก็ต้องมีมีศีลและมีทานเป็นเครื่องสนับสนุนทานก็จะช่วยการไม่รักษาสีลได้ง่ายขึ้นสีลก็จะทำให้จิตสงบได้ง่ายขึ้น มีมีเงินมีทองเหลือใช้ก็แทนที่จะไปซื้อของซุ้มซยของไม่เป็นเป็นก็เอาไปทำบุญทําุนแบบไหนก็ได้ที่เราถูกใจเพราะการทาบุญของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันคนบางคนก็ชอบช่วยเหลือคนยากคนจนบางคนก็ชอบช่วยเหลือคนทิกคนพิการก็สุดแท้แต่บางคนก็ชอบทาบุญกับพระทำบุญกับศาสนาก็ได้ทั้งนั้นขอให้ทำเลนที่มันถุก ถูกกับจริตของเราแล้วก็ทำไปแล้วก็เมื่อทำไปเรื่อยๆแล้วจิตมันจะเป็นคนที่มีความเ ข, ขารบในความรู้สึกของผู้อื่นพ่วเวลาเราทำอะไรนี้เราก็อยากใช้คนอื่นเ็มีความสุขก็เป็นเช่นนั้นเวลาเราจะทำอะไรที่จะทำให้คนอื่นเขาทุกข์เราก็จะไม่อยากจะทำขึ้นมาจิตก็จะไม่ไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่อยากจะท้าสับับผู้อืไม่อยากจะรับทรัพย์ ไมอยากจะพูดผิดประเวณีไม่อยากจะพูดปดมดให้โกหกหรอกโยวใครเท่านนเมื่อจิตในมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วมีตั้งอยู่ในศีลมันก็จะก็จะไม่ค่อยวุ่นวายเมื่อมันไม่ค่อยวุ่นวายเวลาเราทําไหว้พระสุดเวลาทำสมาธิมันก็จะง่ายเพราเราเราได้สร้างฐานไว้แล้วแต่ถ้าเรายังวุ่นวายอยู่กับเงินทองอยู่ยังเสียดายเงินเสียดายดทองยังอยากจะได้เงินได้ทองมากขึ้น มันก e ็จะไม่สนใจกับเรื่องความรู้สึกของคนอื่นเวลาเราอยากจะได้แล้เราจะไม่คำนึงว่าคนอื่นเขาจะเดือดร้อนหรไม่ขอให้เราได้ในเป็นที่เราต้องการเพราะเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนั่นเองคนทําบุญให้ทานเป็นคนที่เสียสละเห็นเห็นแก่ผู้อื่นแต่คนที่ไม่ทําบุญทำทานนี้จะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเพราะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวก็มักจะไม่สนใจกับความรู้สึกของผู้อื่น อยกจะได้อะไรอยากจะทําอะไรเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ไม่สนใจอาจจะทําร้ายผู้อื่นก็ได้ ท, ทําร้ายชีวิตเก็ได้อาจจะเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาก็ได้อาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นก็ได้หรือไปโกหกหลอกลวงคนอื่นเขาก็ได้เพื่ออาให้ได้ในสิ่งที่ตนเ อ, องต้องการถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมานั่งภาวนาวมันภาวนาไม่ได้จนะิตมันวุ่นวายอยู่กับเรื่องราวต่างๆที่ไม่ ไปทำอะไรให้คนอื่นเขาเดือนเดือนเนื้ร้อนใจใจของตนเองก็จะเดือดร้อนตามไปด้วยมันก็ยิ่งทําให้การทำจิตให้สงบมันยิ่งยากเลยเหมืก็ต้องใช้แรงสังเท่าคนที่มีสิีนี้ใช้เพียงเท่าเดียวก็ทําให้สงบได้แต่คนที่มีความรุ่มร้อนที่เกิดจากการกระทําผิดสิ่งผิดทรรมันก็ยิ่งต้องใช้กําลังมากซึ่งเป็นไปไม่ได้เลย เพราะคนที่ขนาดใช้กําลังเท่าเดียวก็ยังแสนยากอยู่แล้วแล้วต้องมาทำสอสเท่าสามเท่านี่จะจะทำไม่ได้เลยแต่คนพวกนี้เขาก็ไม่สนใจในเรื่องเสียงเรื่องธรรมนะเพราะเขาบูชาหนึ่งเขาบูชาลาบยศแต่ละเส้งสุดเป็นพระเจ้าเขามีความสุขกับมันชั่วประเดียวเขาก็เขาก็คองใจแล้วแล้วเขาก็ต้องมาทุกกับมันอีกบางมายการกรเขาก็มองไม่เห็น ดั้นทางที่พระเจ้าทรงวางไว้เนี่ยถูกต้องหมดแล้วตั้งแต่ทางศีลภาวนาสมาธิปัญญาวิมุตติอิทธิพลนัน่นเป็นอย่างนี้งไม่ว่าพระพุทธเจ้าสี่พระองค์มาสอนครูบ า, าอาจารย์พรอริยสงฆ์สามวิปุตรูปจะมาสอนธรรมะก็สอนแบบเดียวกันนี่นคืเป็นธรรมะหลักธรรมะเกี่ยวกับด้านจิตใจส่วนธรรมะที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นท่านก็สอนเพื่อให้มีความ มีความประการามีกตเรที่ต่อผู้มีพรคุณมีสำมานคารวะต่อที่หลักที่ใหญ่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์อะไรเหล่านี้ก็เป็นเรื่องติดย่อยตามมาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเราเว ล, ลาที่เราเกี่ยวข้องกับผู้อื่นแต่ถ้าเราอยู่ตามลำพังเราเราปฏิบัติเพื่อจิตใจของเราโดยลำพังเราทางทานถึงภาวนานเป็นหล ขอให้ทําส่วนใหญ่เราจะทําเห็นทาให้ทานกันแล้วก็รักษาศีลกันแต่ยังคนยังไม่ค่อยยังไม่ได้เข้าถึงการภาวนาใช่ไหมได้ได้ภาวน า, นาบ้างรัาอะไรบ้างได้ทําในกิจวัตรประจําบ้างไหมน้นองไอ้คน <c oughs> ไปทําในสศรษีกันอยู่แล้วเข้าเกิดที่กเวทนามากเมกื่อเมื่อทําไปหลายหลายชั่วโมงเขาจะเขาอุบายในการแก้เวทนาที่เกิดขึ้น จากการลั่งเป็นหลายๆชั่วโมงครับคือมันมันมีอยู่สองอย่างอย่างนึงก็คือบางทีเรายังไม่มีกําลังพอที่จะไปทําถึงขณะนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วลดระดับความมีแรงลงมาก่อน <c oughs> หรือว่าเราที่ว่าเราเหนื่อยเราก็ก็ลุยต่อไปโดย <c oughs> โดยใช้หลักสติกันหลักคือว่าเวลามันทุกข์อย่าไปมองที่ความทุกข์ โรยพยายามแยกทุกขอกว่ามันมีสองส่วนด้วยกันทุกกายกับทุกใจทุกกายนี้เราห้ามไม่ได้แต่ทุกกายนี้ไม่ดุ่มแรงเหมือนทุกใจทุกใจเกิดขึ้นจากใจไม่ไม่ยินดีกับทุกกายนั่นเองถ้าใจทำยอมรับว่าทุกกายมันเป็นเรื่องธรรมดามันจะทุกข์ไปมันทุกไปใจจะไม่รังเกียจมันหัดเปลี่ยนเป็นัด มาเชอบความทุกข์กับความเจ็บปวดน่ามึนเป็นผู้เป็นคนซาดิสสักพักพกที่ซาดิสเขาไม่กลัวความเจ็บนะเขาเอาเข็มเขาเอาอะไรมาแทงแทงลิ้นแทงอะไรเขาเขาเขาทาได้อยู่ที่ใจถ้าใจมันสู้กับความเจ็บมันก็อยู่ได้แต่ถ้ามันกลัวมันก็สู้ไม่ได้มันก็อยู่ตรงนั้นเองคือสู้กันสู้กันนานเลยใจแล้วสู้ไปสู้มาบางทีเราก็แพ้มัน คือเรา <c oughs> เราส <c oughs> ู้ไม่ถูกหลัก น, นั้นความจการสู้ของเรา <c oughs> เราไม่ควรที่จะไปนั่งเฉยๆดูความทุกข์นั้นแล้วอยากจะให้มันหายไปนั่นไม่ใช่วิธีสู้วิธีสู้ก็คือไม่ต้องไปสนใจกับมันเราควรจะหันมาบริกรรมพุทโธแล้วสวดมนต์ไปในขณะที่มันเจ็ยบยดปวดเราอย่าไปสนใจกับความเจ็บปวดลองตั้งสติแล้วสวดมนต์ไปอาลังสัมมาสวัสดิ์ช้าตัวสุ ป, ปัจจพโนสวดไปเรื่อยๆแล้วมันจะ มันมันจะห่างไปพอห่างไปแล้วมันจะไม่เจ็บไอตัวเจ็บที่แท้จริงอยู่ที่ใจที่มันเกิดเกิดความทุกข์ในอริยศาสตร์ขึ้นมาคือเกิดความไม่ยินดีในความทุกข์กายต่างหากถ้าเราเดับให้ความไม่ยินดีในทุกข์กายนี้ได้ความทุกข์ใจความทุกข์ใจนี้มันนิดเดียวมันหนึ่งในสิบของความทุกข์ที่แท้ที่ของทุกข์ใจถ้าทุกข์กายมันหนึ่งเท่าความทุกข์ใจมีสิบเท่าความทุกข์ใจเกิดความเราเกิดจากการเังเกลียดเราเกลียดความทุก ความเจ็บปวดทางร่างกายนี้เราเมื่อเช้านี้ก็คอยคุยแต่คนว่าสังเกต ด, ดูเวลาเรานั่งเล่นไพ่เนี่ยมันจะเจ็บจะปวดยังไงมันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เพราะเรามีสมาธิอยู่กับกาลังเลดูว่าไพ่ใบต่อไปจะออกมามันจะไม่เจ็บไม่ปวดหรอเพราะมันความเจ็บปวดทางทางกายมันนิดเดียว แต่มันไปปวดที่ใจเพราะถ้าเรานั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนี่มันมันยิ่งมันยิ่งราคาญความเจ็บปวดเท่าไรมันก็ยิ่งสร้างความทุกข์ใจขึ้นมามากขึ้นไปเลยถ้าเราเรื่องอย่าปล่อยให้ใจอยู่เฉยๆในขณะที่มันเจ็บร่างกายเราต้องสวนมนต์เรืบริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวนี่เป็นแนวทางของสมาธิบงทีอาการแบบพอนั่งแล้วเราเจ็บนั่งกีเหมือนร่างกายมันเอง ช่างมันมันจะเป็นยังไง <c oughs> ก็ช่างมันมันเอ็นบ้างค้ายมันก็เป็นธรรมดาแต่พยายามอย่าไปสนใจพยายามพยายามจับราวความทุกข์ในใจเอย่าไป ก, งกังวลการเรื่องความทุกข์ทา ง, างร่างกายที น, นี้ก็ไม่เอาจิตไปจับเป็นตัวเป็นที่เจ็บไม่ต้องไปจับมันก็นท้าย<ห>ก็มาหาพุทธะเราใช้พุโทโธเป็นก็พุโทโธคําเดียวเนี่ยแหละเอามาอ่าไปอยู่กับพุโทโธพุทโธพุทโธไปให้มันขาดใจไปกับพุทโธเลยรเนี่ยแ่ไม่เคยดูปวดขาค่ะ ต้องมันยู่อย่ีมันก็ก็ได้ก็ถ้าถ้าถ้าเราตัดใจก้าที่จะจ้องมันอยู่บางคนเจ้องแล้วอยากจะให้มันหายยิ่งอยากมันก็ยิ่งทุกข์ใจขึ้นมาใหญ่ถ้าเราจ้องเราดูเฉยเฉไม่มีอคติกับมันไม่ได้อยากเรียกว่าครูบาอาจารบอกว่าเป็นหนึ่ตายคิดอย่างนี้ใช่คือมันมีหลายหลายหลายวิธีบางคนก็ใช้ดูดูความเจ็บนั้นดูเป็นอารมณ์ไปเลยก็ได้ดูแล้วไม่ไม่มีไม่มีอารมณ์ชรักทางกับมัน ดูแลเฉยๆเหมือนก็มันเป็นพุดโธอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันก็มันก็จะไม่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาปัญหาคือความทุกข์ใจมันไม่ใช่ที่ทุกข์กายทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากจะหนีจากความทุกข์ของร่างกายมันทำเองเองถ้าไม่อยากจะหนีมันก็ทุกข์ใจมันก็ดับมันก็ไม่เดือดร้อนใจก็ไม่เดือดร้อนกายมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะกายมันไม่มีความรู้สึกผู้ที่รู้ก็คือใจนั่นเอง ใจมันจะเจ็บจะปวดขนาดไหนมันไม่รู้สึกตัวของมันเองเวลาเอาไปเผาไฟมันไม่รู้สึกตัวนะคนตายไปแล้วไปเผามันก็เหมือนกระท่อนนะท่อนเกินท่อนหนึ่งนะมันไม่มีความรู้สึกอยู่ในร่างกายความรู้สึกอยู่ในใจแล้วใจมันมีกิเลสคือมีความความความเกลียดชังความความเจ็บปวดเราต้องหัดมาชอบความเจ็บปวดนี้ให้ได้เหมือนกับที่ยกตัวอย่างเราเคยไม่ชอบกินอาหารชนิดไหนลองฝืนกินมันไปสักพักหนึงใหมายหม่ก็กินลำบาก แต่เรากินไปทักเนื่องเน่เนื่องแล้ต่อไปมันก็ชอบขึ้นมาเองนะกินจนจำเจเมื่อก่อนนี้ไม่เคยไม่เคยฉันทุกท่าวเหนียวข้าวอาหารไทยอีสานเพราะวีเท่าน้องก็ฉันได้พอกลับมาอยู่ทั้งนี้ก็คิดถึงอาหารไทย ก, ก, กั่นเองน้องเขามีทางทามอย่างก็นั่น <c ười> นงขัดมาที่ไปเนี่ยสักสามชั่วโมงเขาถ้าตัวปู่老妈เนี่ยเขาเปลี่ยนขาได้ก็เปลี่ยนได้แต่มันไม่ได้มันไม่ได้ไปแก้ปัญหา คือเราต้องการแก้ปัญหาคือเราไม่ต้องการที่จะเราต้องการจะปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนาให้มันเป็นไปตามสภาพของมันมันเช่นสมมุติเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยล้วไม่มีอยู่ไม่มียาไม่มีหมอมันก็ต้องเจ็บป่วยเราก็ทนได้ถ้ามันไม่ ม, ไ ม, มีอะไรที่ส่วนใหญ่เราไม่อยากจะทนความไม่อยากจะทนนี้แหละคือตัวตัวกิเลสเราต้องดับไปตัวไม่อยากจะทนนี้ให้ได้ด้วยการปล่อยให้มันเป็นไปที่จะน้าว่าร่างกายก็เป็นเหมือนกับท่อนไม้ท่านพปลียนท่านนี้ มันอยู่ของมันได้มันไม่เดือนร้อนที่เดือนร้อนไม่ใช่ร่างกายที่เดือนร้อนคือใจคือกิเลสของเราที่อยู่ในใจตัวที่ไม่ไม่ไม่ไมชอบไม่ต้องการความความเจ็บปวดนี้ใช่ไว่าต้องทำความเข้าใจกับมันด้ไหมครับว่ามันจะเป็นซากศพเราเราแยก <uen S 1> ออกจากปูมัน <finalmente S 2> แยกกับศพหลบมาอย่าเทียวก็ดูกระดูกไก่ที่เขาไปต้มใน ในในหม้อมันไม่เห็นเดือดร้อนอะไรกระดูกใจกระดูกของเรามันก็เหมือนกันมันก็เป็นท่อนแข็งแขงท่อนหนึ่งเท่านั้นมันไม่มีความรู้สึกในตัวของมันเองมันอาจจะเป็นสื่อส่งความรู้สึกมาให้ใจรับรู้เท่านั้นเองแต่ตัวมันเองมันไม่เดือดร้อนไอ้ที่เดือดร้อนก็คือกิเลสของใจที่มันอยู่ในใจเราเท่านั้นเราต้องแก้ตัวเดือดร้อนนี้ให้ได้ด้วยการไ ม, ไม่ไม่ไม่ต้องไปทําตามความอยากของเรามีบางทีบางตัวข้าง ใหม่ๆมันอาจจะทนไม่ได้พิจารณาไม่ได้ก็ลองอาศัยการบริกรรมไปก่อนเพื่อสร้างด้านกำลังให้มันมีกำลังใจพอรู้รอดอ๋อไอตัวความทุกข์ในใจนี้มันดับได้ขั้นต่อไปเราถึงอาจจะใช้ทางด้านปัญญาดูเผชิญมองมันอย่างที่โยมบอกพิจารณาดูเลยมันเจ็บตรงไหนมันปวดตรงไหนมันเจ็บเองหรือเปล่าหรือเราไปว่ามันเจ็บเองตัวมันว่ามันเจ็บหรือเปล่ามองพิจารณาถามดูเราจะรู้ว่ามันมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันสแต่ว่า อเราต่างหากที่ไปให้คุณค่าราคากับมันแค่ไม่สังของเหล่านี้มันก็เป็นแค่กระดาษท่านเองถ้าเป็นกระดาษที่มีเลขหนึ่งพันขึ้นมามันกลายเป็นของมีค่าถึงไหนมันก็เป็นกระดาษเหมือนกันนะอันนี้มันขนาดาษนี้ยไมหนากว่าใหญ่กว่าไม่กลไม่มีคุณค่าเพราะเราไม่ได้ไปให้คุณค่ากับมันได้เราไปเป็นผู้ไปให้ค่ากับมันแล้วก็ไปยึดไปติดกับมันพอกระดาษขนาดพันนั้นมันหลุดจากมือไปนั้นกายก็เสียววากไปเลย ใช่ไหมงั้นการที่จะสู้กับทุกวิทยานได้ถ้าทุกําลังจิตที่เราฝึกมาดีเนี่ยมันกําลังแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันก็จะมันจะระ่วังตรงนี้ได้มากใช่มันก็จะเป็นฐานของปัญญาได้ตอนต้นก็อาศัยสร้างฐานสมาธิก่อนให้จิตมันแน่นมันมันมีกําลังพล้วต่อไปเราก็สามารถเผชิญกับเผชิญกับความจริงของวิทนานั้นได้มองมันโดยโดยไม่ไม่หวั่นไหวกับมันแล้วก็บอกว่ามันพิจารณาดูว่ามันมันเป็นของไม่เที่ยง มันมีอยู่สามชนิดมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขมีไม่ทุกข์มันก็สลับกันไปสลับกันมาในชีวิตของเรามันก็มีอยู่สามตัวนี้ส่วนใหญ่เราจะไปยึดติดตัวหนึ่งแล้วก็ไปเกี่ยงตัวหนึ่งในชอบสุขไว่ทันาที่เวลาเราเข้าไปนั่งห้องแอร์หรือเวลาร้อนแล้วเราไปอาบน้านําำทางนี้เราก็มีความสุขพออาบน้ำ น, นิดสักครู่มันร้อนเนี่ก็ทุกข์อีกหนาพอทุกข์ขึ้นมาใจก็ทุกข์ตามไปด้วยแต่ใจไม่ชอบเลยแต่ถ้าใจเราเฉยๆไม่ต้องอาบน้ําก็ได้ มันจะมันจะร้อนก็ปล่อยมันร้อนไปเดี๋ยวมันก็ถ้า้าใจเราไม่ไปวุ่นวายกับมันมันก็ไม่เดืร้อนอะไรก็อาบน้ําเพียงแค่ครั้งวันละครั้งก็พอถึงเวลาอาบก็อาบถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่ต้องไปอาบมนะันก็ปล่อยมันไปไม่เดือดร้อนอะไรใจมันเป็นท่านบอกใจเป็นเป็นตัวสําคัญเราจรึงต้องมาดูแลใจกันใจของเรามันมีตัวที่ไปสร้างปัญหา ก็คือตัวกิเลสัญหานี่เองแต่เราไม่เห็นโทษของมันเราเป็นเพื่อนกับมันเราเป็นสาหายกับมันมันช่วยให้เราโลภแล้วก็โลภตามมันช่วยให้เราโกรธแล้วก็โกรธตามมันช่วยให้เราหลงแล้วก็หลงตามมันเราจรึงต้องร้องห่มร้องไห้ต้องโศเสียใจเพราะสามตัวนี้มันมามันมาหลอกเรามีตลอดเวลาเรารื้ไม่ทำเพราะเราขาดัญญา เราไม่มีปัญญาเพราะเราไม่มีสมาธิมันต้องอาศัยด้าสมาธิถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาถ้ามีปัญญามีสมาธิก็ต้องมีศีลมีทางงนั้นที่มานีม้มาถูกทางลแล้วถึงจะว่าต้องต้องเพิ่มต้องเพิ่มการปฏิบัติให้สูงขึ้นไปทานก็มีแล้วศีลก็พอจะมีแล้วทีนี้ก็ภาวนาบ้าง เหมือนวันละสองครั้ง เ, เช้าขึ้นมาก่อนจะทำแล้วก็เอาสักชั่วโมงหนึ่งไหว้พระสจำนวนนั่งทำสมาธิก่อนนอนก็เอาอสักชั่วโมงหนึ่งส่วนตอนจังวันถ้ามีเวลาว่างไม่รู้จะทําอะไรก็เอาภาวนาเวลาไหนอยู่ในรถนั่งรถไปเวลารถมันติดถ้าเราไม่ได้ขับรถเราก็นั่งภาวนาไปก็ได้ การที่จะมานั่งบน่นนั่งจ้องดูรถเมื่อไหร่มันจะขยับไปสักทีคอยดูในอเมริกาค่อยคิดถึงเวลาคนนั้นจะนัดกับเราเาจะไปนัดไปทานนัดหรือไม่การวุ่นวายใ จ, จแบบนี้การมันเรามากจะเหนือละว่าจิตใจของเรามันถูกพันกับเรื่องราวต่างๆจนปล่อยวางไม่ได้เพระพอออกจากบ้านไปปั๊บมันก็ติดไปกับเรื่องราวต่างๆจนต้องจะกลับมาบ้านบางทีกลับมาบ้านแล้วก็ยังเอาเรื่องราวต่างๆกลับมาแบกมาหา ทำไม่นอนไม่หลับก็มีแล้วเราต้องฝึกทําสมาธิเพื่อจะทําจิตให้มันว่างบ้างอย่าปล่อยให้มันลกลงนังในจิตใจของเราทําอะไรอยู่ตรงไหนก็ให้มันจบตรงนั้นทํางานที่โดยสัทก็ให้มันจบที่บอยสัทอย่าเอากลับมาบ้านขอไม่ได้ให้เงินเดือนเราเพิ่มที่ ท, าา ท, ทุาคนทำภาวนาไว้เช้าเย็นเช้าเย็นเวลาออกไปข้าง น, น, น, น, น, น, น, นอก ไปเผชิญปัญหาต่างนี่มันก็เกิดสมนุนมีสิ่งท่องช่วยเชื้อโรคไว้บ้างได้คมีความมีเหตุมีผลมีความอะไรไม่ทําให้วุว่นวาไม่เป็นอารมณ์มากแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติได้ผลแล้วมันจะเริ่มจะเริ่มเห็นประโยชน์แล้วมันจะเริ่มเห็น้ทยของในเรื่องราวที่เราไปทําทุกวันนี้ทําเพื่ออะไรฐานนี้ทำเพื่ อ, อวความหลงงานทำเพื่อความวุ่นวาย แล้วมันจะเริ่มเห็นเห็นความวุ่นวายของของชีวิตของคาราวานที่เขาที่ในในในในพระไตรปิกเวลาคนที่เขาออกบวชเขามักจะพูดว่าชีวิตคาราวานนี่มันช่างวุ่นวายหนอสแสดงว่าจิตของเขาเห็นความสงบนะและไม่มีความสงบในจิตแล้วมันจะเห็นเรื่องราวต่างๆข้าอ ม, มีแต่ความวุ่นวายเพราะมันมันมันมาลบกวนจิตใจ จิตใจของเราที่สงบก็เหมือนกับน้าที่มันนิ่งแล้วเวลาเรื่องราวเข้ามาก็เหมือนคนมาตักน้ำมาแขวนมากวนน้ำน้ำมันก็ขุ่นน้ำมันก็เป็นคลื่นมันก็วุ่นวายก็ทาไปนะทำไปเรื่อยๆท้อแท้วิที อยากได้กำลังใจงเราทำมีกำลังใจที่เราสู้กันต่อไปบางทีก็สู้มันได้ใช่บ้างแพ้บ้างก็ต้อง<ม>ไปปฏิบัติเนี่ยจะหยุดสามวันแทนที่จะไปเที่ยวก็ไปปฏิบัติหยุดสามวันอยู่ห้าวันอะไรอย่างเงี้ยพยายามเข้าวัดอยู่เรื่อยๆแต่ ว, วัดอยู่บ่อยๆวัดปฏิบัติเนี่ยว่าที่เราเข้าไปแล้วเราสามารถปฏิบัติได้แต่อย่าไปยุ่งกับเรื่องราวภายนอกบางทีไปวัดแล้วก็ไปยุ่งกับเรื่องราวภายนอกของวัด ไปช่วยทํางานทําการทําอะไรแล้วก็มาในภาวนามันก็เป็นบุญอแต่มันมันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นกรอบเป็นกรรมเหมือนกับเราไปภาวนาหรืบางทีจิตใจของเรามันอ่อนไหวง่ายพอไปเจอคนนู้คนค น, คนี้ขอร้องหน่อยก็อะขาขอให้ช่วยก็ช่วยช่วยกั็เลยจะกิจพันธ์กับการทํางานรวมเมื่อก่อนทํางานที่ ท, ที่ที่ทั่วนอกวัด เดีย๋ยนี้พอไปอยู่วัดก็ไปทํางานในวัดเองมันก็ยังเป็นงานอยู่มันก็ยังไม่สงบเดี๋วเวลาเราไปวัดเราต้องค้างๆเหมือนกับว่าตั้งตั้งกรอบตั้งเป้าไว้ว่าเราไปเพื่ออะไรถ้าใครจะมาชวนให้เราไปทําอยะไรเราก็ต้องปฏิเสธมีความนักแ น, นงนอกจากว่ามันเป็นกรณีจําเป็นบางครัง้งบางคราวอะไรนี้มีเหตุมีผมอะไรอย่าง ถ้าเราไม่ทําคนอื่นเขาทาได้ก็ปล่อยเขาทําไปคิดว mm ่า hmm. ถ้าเกิดเราตายไปเขาเขายังทําได้ไหมเขายังอยู่ได้ไหมเ mm hmm. ขาอยู่ได้ก็กไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปทําเราขอให้เราทํางานของเราให้เสร็จก่อนเถอะเมื mm ่อ hmm. mm hmm. เราเสร็จงานของเราแล้วที่จะให้ช่วยคนอื่นทำมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็ยินดีไม่เดือดร้อน นน เ, เวลาเราทำยันต์อีกทุกคนก็ผลิแต่ผู่ร่วรับไปแล้วเนีนะคะเราคิดเยดยโดยทีจิตเรากับการโกดน้ําเขาได้รับผลประโยชเหมือนกันความจริงไม่ต้องใช้น้ําอำน้ํามันไม่ได้เป็นตัวตัวบุญตัวบุญคือจิตของเราเนี่ะแต่แต่ว่าเป็นการสอนคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องกระแสจิตก็เลยเอาเกระแสน้ํามาเป็นตัวอย่างให้ดูตอนนั้นเองน้ํามันก็ยังเป็นน้ําอยู่นี่มันไม่ได้เป็นบุญมีน้ำ แล้วเราเสร็จแล้วก็ไปเทให้ต้นไม้ต้นไม้ได้น้ำได้เดียวเป็นลูกทรงแข็งอย่างผู้ที่จะเป็นพระโคดิสศัตว์เนี่ยในยังไม่ถือยังไม่ถือว่ามันเป็นลุกธรรมยังไม่ยังไม่เป็นยังเป็นไม่ไม่้ชเป็นบุญชรแต่เป็นผู้ที่มีเมตตาธรรมเธอเป็นผู้ที่บำเพ็ญทบารมีทั้งสิตั้งแต่ทานศีลนมตตามะ เมตตาปัญญาอุเบกขาอธิษฐานสัจวิริยะขังติ น, นีมีกิดมือแต่ยังมีกิเลสเต็มหัวใจยังไม่ได้สัมผัสกับกับกับโลกุตรธรรมอาจจะได้อาจจะได้ฌ า, านได้สมาธิ จากการนมเพ่งนี้วแต่ยั ง, แ ต, ยงแต่ยังไม่เข้าถึงใจรักยังไม่รู้จักใจรักว่าอะไรงจะได้รับรกเอเพอแล้วกัอย่างว่งาพระพุทธเจ้าก่อนยถาเทวุล้นท่านก็ไม่ไม่รู้จักใจรักท่านไม่รู้จักวิปัสสนาถ้ารู้ท่านมีฌานท่านมีทานมีอะไรอยู่แต่จิตของท่านยังรุ่งหลงอยู่กับอัตตาเปตนคนอยู่แต่ว่านักตานี้เป็นคาคำพ้อของ ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็นความรู้โดยเฉพาะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงได้ถ้าเป็นปุถุชนอย่างเราอย่างท่านนี้ถ้าไม่มีบารมีสะสมเป็นถึงขั้นระดับโพธิสัตว์แล้วจะไม่สามารถมองทะลุเป็นอนัตตาไดนะ้ต้องอาศัยพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราก็จะเป็นสาวกได้เท่านั้นเองคือพอได้ยินได้ฟังว่าเป็นอนาาัตตาแล้วเราก็เอามาปฏิบัติกับเราปล่อยวางร่างกายของเราว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยากไปยึดจยากไปติดมัน ตรงนี้มันก็จะหลุดพ้นได้เข้าถึงการโซโดาได้ง่ายดายมีคนทําทางมีคนบอกบอกคําตอบให้เราแล้วเพียง<ม>แต่เราเราทําทําขั้นตอนให้ไปถึงคําตอบนั้นเท่านั้นเองคำตอบอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะไปหาคําตอบนั้นให้ทํำยังไง<ม>ก็ให้เจริญสมาธิกับปัญญาให้ทำนั้นเองก็จะถึงขั้นนั้นได้แต่สาหรับพระพุทธเจ้าไม่มีคําตอบ ไม่รู้ว่าคำตอบอยู่ที่ไหนตอนที่ท่านบำเพ็ญท่านไม่รู้ว่าคำตอบที่จะทําให้ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์นี้อยู่ตรงไห น, นตอนใ น, นที่สุดพิจารณาไปหมดก็เหลือแต่ไอตัวนี้ตัวเดียวก็เลยหัมาพิจารณาดูว่ามันมั น, นมันเป็นตัวตนจริงหรือไม่เราพิจารณาไปเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนพพียงสัันกกมาา คือพระพุทธศาสนนี้เป็นผู่ที่มีคุณสมบัติที่จะบรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยตนเองหรือว่าถ้าท่านบำเพ็ญมาแล้วเกิดท่านมาเจอพระพุทธเจ้าแล้วท่านท่านเปลี่ยนใจคือไม่ไม่ไม่แสวงเป็นเป็นพุทธไม่สวงพุทธภูมิเพราะให้รู้ว่ามันจะเสียเวลามากตอนนี้มีทางแล้วมีคนสอนบอกแล้วก็เลยเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มาปฏิบัติ เช่นหลวงปู่ ม, ม, มั่นนี่รู้สึกว่าในเืยองต้นท่านก็เคยเป็นมีจิตปธิฐานอยู่กับพุทธภูมิแล้วท่านปฏิบัติอย่างไรจิตของท่านก็มันไปไม่ได้ทั้งที่ก็ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพร์พระเจ้าว่าจิตนั้นไปถูกติอยู่จากการสะสมบารมีเช่นทางบารมีหรือแตคอยห่วงอย่างที่เมื่อกี้ไลฟ์ฟังไปว่าก็ต้องไปทํางานให้กับคนอื่นเพาแทนที่จะตัดใจไปนั่งภาวนาก็ทําไม่ได้ ก็จิตใจตะกิดตะขูดเพราะเคยบําเพ็ญมาว่าจะต้องช่วยเหลือคนอื่นก่อนทําทานก่อนใช่ไหมพอจะไปตัดช่องน้อยเพื่อตรงนี้มันทําไม่ได้จะไปนั่งปฏิบัติภาวนาโดยลำธารแล้วป่อยให้คนอื่นเขาทางานเนยว่านี่จะทําไม่ได้แต่ถ้ามาพิจารณาแล้วว่ า, เ, าเราทําให้กับตัวเราก่อนนี่มันดีกว่านะเมื่อเราหลุดแล้วเรามาช่วยเหลือคนอื่นได้ประโยชน์มากกว่ามากกว่าที่เรามาทํา ช่วยเดี๋ยววัดแบบนี้เราไปช่วยวัดอย่างมากแล้วก็ไปช่วยได้ในในการทํางานเกี่ยวกับทางด้านวัตถุเท่าของต่างๆแต่ในทางด้านจิตใจนี้เราช่วยใครไม่ได้เลยเพราะเรายังช่วยตัวเราเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติเพื่อให้เราได้เกิดความรู้เกิดปัญญาเพื่อทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้ก่อนดีกว่าเมื่อเราหลุดพ้นแล้วเราเอามาละมั่สัมปทาให้กับผู้อื่นผู้อื่นจะได้รับประโยชน์มากกว่าการที่เรามา ทำสิเหล่า น, นี้สิ่งเหล่า น, นี้ายๆก็ทําได้เรื่องวัตถุอเข้าของนี่มันใครท่านก็ทำได้แต่เรื่องที่จะสอนธรรมะให้กับคนเองนี่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทําได้ถ้าตอนถ้าคนคนนั้นเรื่องไม่มีความรู้ในตัวเองสอนไม่ได้สอนงไงก็สอนไม่ถูกดีๆนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ครูบาอาจารย์เช่หนหลวงปู่มันที่ท่านเคยเต็ดอยู่กับพุทธภูมท่านก็ตลงตัดแล้วท่านตอนนี้ก็อยู่ เชียงใหม่ปฏิบัติอยู่คนเดียวเมื่อก่อนนี้ท่านก็มัาเคยมีรอยขาดรอยรวายอยู่กับท่านตลอดเวลาคอยร่างช้อนคอยอบรมคอยสงนเคาะคนนี้นคนนี้ไปตามธรรมะที่ท่านมีอยู่คือขั้นสมาธิเองท่านมีอย่แล้ท่านปัญญาท่านเองมีงหลังท่านก็เลยไปติดวิเวกอยู่เชียงใหม่ถ้งสิบปีท่านก็เป็นที่เชียงใหม่ หลังจากนั้นก็อบรวมสั่ง่อนใช่ก็มีปรากฏครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เรากับเขาโลกกล่าวว่าเป็นจํานวนมากเข้ามาจากหลงปูมัน่นทั้งนั้นมาจากการที่ท่านตัดัดการผูกติดอยู่กับพุทธภูมิคือทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นโดยลื ม, ล, มลืมถึงการทําประโยชน์สำหรับตนเองถ้าท่านยังทําอย่างนั้นอยู่ท่านก็ไม่ได้บรรลุท่านก็ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลแต่ท่านก็จะได้ทานบา ร, รมีมากขึ้นไปเรื่อย อาจจะทําให้ท่านกลายเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตก็ได้จะเป็นพระปฏิเจติกับหรือเป็นพระอรหันตสัมมารัมพุทธเจ้าก็สุดแท่แต่ถ้าบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่สั่งสอนใครก็เป็นพระปฏิเจติกับพระพุทธเจ้าถ้าเอาสิ่งที่ตั้งใจรู้มาประกาศสั่งสอนให้กับผู้อื่นก็เป็นพระอรหันต์กัมมาร์ัมพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถานั้นก็ตอนต้นก็เกิดจะเป็นพระปฏิเจตกพพุทธเจ้า เพราะทรงเห็นว่ามันเป็นธรรมะที่ยากที่จะให้ผู้อื่นสามารถปฏิบัติตามได้ก็เกิดความทอ้อพระทัยไม่อยากที่จะเอามาประกาศสั่งสอนโกคนอื่นก็จะหาว่าท่านบ้าสอนให้คนละให้คนตัดแลนน้วด้านหลังก็มีท้ามหาพรมมาลาธนาให้ท่านได้ทรงพิจารณาโปรดสัต์เพราะว่าคนมีหลายชนิดด้วยกันคนที่ฉลาดที่จะได้รับประโยชน์ก็มี คนโง่เขาบันปัญญาที่จะไม่รอดประโยชน์ก็มีไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้มีแบบใดแบบหนึ่งมันเข้ากันไปทุกทรงพิจรารณาเห็นว่าทันโลกก็มีเป็นเป็นสี่เหล่าด้วยกันเป็นพวกบัวสี่เหล่าจึงเลยมีพระไทยกำลังใจที่จะไปไปปวดโดยที่จะเน้นไปที่พวกฉลาดก่อนพวกที่รู้เร็วก็เลยคิดถึงพระอาจารย์สองลูกที่ท่านเคยศึกษาอยู่ ใจก็มาทราบว่าท่านทั้งสายรูปได้ม า, าน่าภาคไปแล้วท่านก็บ่นม่าเสียดายเพราะท่านก็ไปไปเกิดคิดเป็นอยู่บนสวรรค์ทั้ทนพรหมเป็นหลายหมื่นปีกลัมาก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หมดก็เริ่มต้นใหม่อีกก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากธรรมะที่ท่านสอนรูปทรงเห็นแลยวคิดถึงนี้พเป็นจรารวักขีผู้ ท, ที่ได้ติดสารท่านท่านเนี่ยท่านหังนี้มีบาร ม, ม, มีมีสมาธิมีสีพร้อมอยู่แล้วที่จะรับธรรมะของท่านได้ ท่ก็เลยมุ่งไปที่ตารเป็นเจ้าว่าขี่เป็นต้นแสดงธรรมพระธรรมจักรขั้งแรกก็มีพระพระอัญญาณก่อนัญญาจะบรรลุเป็นพระโสดาบันแสดงอา น, นิจจังว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องดับไปเป็นธรรมดามีเช่นเช่นขันหา้านี่ร่างกายเบทนาตัญญาสังขารนญญามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ต้องดับไปร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไม่ต้งไปยึดไปติดมันปล่อยหนึ่ ง, งไปเพราะปล่อยใจจะสบายไม่กลัวความายต่อไปไม่กลัวความเจ็บต่อไปเพราะใจไม่ได้แย่ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายแล้วไปไปไ ป, ไปตกใจไปกลัวกับมันทำไมเพราะความหมลงไปหลงไปยึดไปติดว่ามันเป็นตัวตนเป็นเปล่าวปินของเราแลแ یک, ้วพอแสดงธรรมอีกคั้งสองครั้งกับบรรลุธรรมธาตทั้งห้ารูป แล้วก็ไปรวจท่วนักบวชทำนักอยู่นีกไม่นานก็มีผ้ า, ารปรากฏขึ้นทั้ง 1,250 ลูกภายในเวลาประมาณเจ็ดเดือนทั้งนี้ตั้งแต่วันเพ็ญเดือน 8, แปดันอาสาลหพิชาที่สแสดงพระธรรมจักษ์จนถึงวันเพ็ญเดือนสามมันก็เจ็ดเดือนาา 1, ก็มีผ้าอัน 1,250 ลูกมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยนั้นท่านมุ่งไปที่พวกที่สามารถรับได้ ลับธรรมะนี้ได้พวกเขามีสีมีสมาธิเท่านั้นพวกนี้เป็นนักบวชอยู่แล้วเห็นงแต่ว่าเขามีมีลัทธติต่างกันมีความเชื่อต่างกันแตก่การปฏิบัติพื้นฐานเหมือนกันปฏิบัติปฏิบัติสีปฏิบัติสมาธิเหมือนกันแต่ไม่รู้ปัญญาไม่รู้ว่าจะมีคำที่เหนือกว่านั้นที่จะทําให้จิตมดทุกขได้ก็คิดว่าถึงขั้นชานก็ถึงว่าเลิศแล้วได้เปสวรรค์ชั้นพรมนี้ก็ถึงว่าเลิศที่สุดแล้ว ได้ไปเป็นเท้าหมาครับมนะแต่ผู้เจ้าจบอกว่าพิจารณาดูว่าถ้ายังตราบใดยังอยู่ในสังสารวัฏนี้อยู่นี้มันยังอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขงังนะตายอยู่เป็นโมก็หมดหมดหม ด, หมดปุณก็จะเลื่อนลงมาเป็นเท่หมดยุนของเท่ก็เลื่อนลงมาเป็นยุนิแล้วถ้าไม่มาทํายุนต่อมาทําบาป ก, ก็เลื่อนลงไปเป็นเดรชาเป็นแก่ไปนรกต่อไป การมาเกิดเป็นมนุษย์นี้รู้สึกจะเป็นที่ที่เติมบุญหรือเติมบาปได้แต่เราไปเกิดเป็นมนุษย์นี่เรามีทางเลือกของทางพบอื่นจะไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไห้่เช่นไปเกิดเป็นเนรัจานนี่ก็ไม่มีทางเลือกแต่เาจะกินธรรมะกินก็ต้องตัดใหญ่ก็ต้องกินสั่น้อยเป็นเป็นอาหารเขาก็จะไม่มีโอกาสได้ทําบุญเราไปเกิดเป็นเทวดาเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะทําบุญหรือทาบาปเพราะเขาสวยบุญมีความสุขเขาก็อยู่ในความสุขนั้น ถ้าเป็นก็ทนมันก็อยู่ในชาตอยู่ในความสงบในความนี้ก็ไม่รับรู้เ ร, เรื่องราวต่างๆนี่การมาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละที่เราเราเห็นทั้งสุขเห็นทั้งทุกข์แล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะจะทําบาปหรือจะทำบุญถ้ามาเกิดในสมัยที่มีาศาสนาก็โชคดีว่ามีแสงสว่างมีคนคอยชี้บอกว่ า, วานี่นี่ผิดนะนี่ถูกนะี่จะฟังแล้วไม่ฟังก็อยู่ที่เรา ถ้าเรามีบุญเก่าอยู่มีเชื้อของบุญมีปัญญาหลงเหลืออยู่บ้างฟังแล้วก็จะเชื่อจะสามารถแยกแยกได้ถ้าพยายามปฏิบัติตามคำสอนของนักบา่าชื่นพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รับประโยชน์ดีไม่ดีเราอาจจะตัดพุกตัดชาติได้ในในในชีวิตนี้เลยก็ได้ไม่ยากพระพุทธเจ้าทรงแสดงในสติปัฏถานจุดรทรงทำนายไว้ว่าถ้าปฏิบัติตามได้นี้อย่างช้าก็แค่เจ็ดปีก็ถ้าไม่บรรลุเป็นพระอรัานต์ก็ได้เป็นพระอนาคามี ถ้าเป็นพ่วกที่หัวไวฉลาดก็เจ็ดวันก็บรรลุได้ท่านแสดงแล้วท่านรับรองแล้วรือที่เราทค่น เรายังยึดติดอยู่เท่านั้นแหละเรายังเสียดายเสียดายลูกเสียดายสมบัติพยายามพิจารณาความแก่ความตายบ่อยๆใช่ไมเสียดายเลยเดี๋ยวเราก็ต้องตายจากเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องตายจากเราแล้วอยู่กันก็เพื่อมาร่วมบุญร่วมคุสกันทานั้นแหละทุกอย่างาไม่มีหรอกเพราะเขาเหมือนกับนอนหลับฝันหวานฝันดีเนี่ย ขณะนั้นเราก็มีความสดขยูเราก็ไม่รู้จักแน่นภนแต่พวกมาฟังธรรมยืนยักก็บางพวกใช่ไหมัาพกบางพวกพวกนี้อาจจะมีอุปนิสัยเดิมอยู่แล้วก็มีโอกาสได้ได้ไปเจอพระอริยะบุคคลที่สามารถติดต่อพระาได้ถาอาจารย์มีทีแต่ยัหบถาดาตัวยนถ้าตัวหัวยืนไปเรียก็ไม่ได้ทำบาปจะเป็นเทดาไปหมดบุญได้ไงบุญมันน้ามันไบุญมันน้ามัน ไคไปเดียวมันก็หมดแต่ถ้าไม่ได้ทำบาปบุญก็จะหมดไปใช่ไหมตัวบาปมันมีอยู่ยังไม่มีโอกาสได้แสดงผลเลยต้องน้อมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเหมือนเคยได้ยินว่าถ้าธรรดาระลึกบุญเก่าที่เคยทําก็เหมือนตอบุญไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ไม่ได้มันต้องทำด้วยกรรมเราเลิกแล้วก็ต้องทํำที่ที่จะทําบุญมันไม่ได้อยู่ที่สวรรค์มันต้องมาทําที่ที่ที่บนโลกนี้อื เปเป็นบุญที่โอกาสเดียวแล้วเราอยากจะทําบุญด้วยการสังเทศสังธรรมเท่านั้นเองเป็นพระพุทธเจ้าทรงตรดเทมันดาด้วยการแสดงธรรมให้ฟังแล้วก็เข้าใจในหลักของไตรลักษณ์ก็สามารถที่จะตัดได้พระเทวดาก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสวดศรัทเหมือนกันเพียงแต่เป็นเป็นรูปทิพยเสียงทิพย์ก็ให้เขาละสิ่งนั้นเพราะเป็นเทวดาอย่ังไงก็ไม่มีรูปทิพยได้เสิ่งละเพราะมบวบุญแล้วก็รูปทิพยเสียงทิพย์กลิ่ิพก็หมดไป ก็ต้องมาเกิดมามาเป็นมนุษย์แล้วก็มาเกิดพวกลูกยากเหง่ออยาก อ, อย่างนี้เป็นตน้นถ้าคือจะนาให้เห็นทอดเป็นตายรักเห็นตายรักก็อย่าไปยินดีถ้าไม่ยินดีแล้วก็ไม่เสียใจไม่ทุกข์กับมันจะนามันจะไปก็ไม่ถดถอย เรียนทีนเ่เคยาา อ, อาจารย์ลวหากอังอาจารสกลับไปคึกมากมีกล <c oughs> ังใจองทิเป็นถึงต้องต้องฟังเทศอยู่เรื่อยๆงนี้การเลนกาเลนะธรรมะวานาอยู่วับครูบาอาจารย์ก็แบบเดียวกันท่านจะเรียกประชุมทีละสาสีวันท่านจะเรียกประชุมสทีพอฟังเทศของท่านเนี่ยมีกาลังใจกลับไปบางทีกลับไปนภาานาถึงสว่างเลยเดินตรงคมได้ หลงก็ะท่านอัดฉีดทห้นเราเต็มที่นะแต่พอสักสี่ห้าวันไปมันก็ค่อยๆค่อยๆหาไปเรื่อยๆกินเลยมันก็เข้ามาเดผมเดือนนึงมาหาท่านอาจารย์ครั้งหนึ่งเหมือนเราช้าแต่เราช้าแต่ ที่วิตเขาว่ามันก็มีเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วใจเรายังอ่อนใ จ, ใจเรายังมันไม่แข็งพอที่จะต้านมันได้แต่ก็ยังดีที่ยังมีกําลังที่พอที่จะปลีกออกมาได้เดือนละครั้งนี้ก็ยังถือว่ายอดีก็ไม่มีเลยบา <c oughs> งครั้ีหนึ่งจะเข้าวัดครั้งก็ใส่บาตรคทั้งก็วันเกิดหรือวันปีใหม่ แต่พวกเรานี้นอกจากมาวัดอย่างนี้แล้วเรายังทําบุญอยู่เป็นปกติใช่ไหมใช่ทุกอาทิตย์ไปวัดไปวัดไปวัดไปวัดไหนใปไถ่บาตรมีสิ่งที่ต้องทําก็คือหลังจากเราได้ยินได้ฟังแล้วต้องนําไปปฏิบัติพยายามปฏิบัติให้ต่อเนื่องเพราะการปฏิบัติตอนนี้แหละจะเป็นอาจารย์ของเราต่อไปเมื่อเราปฏิบัติเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ต่อไปเพราะว่าธรรมมันจะผุดขึ้นมาในใจของเราเอง ในเบื้องต้นต้องอาศัยทำของผู้อื่นเป็นตัวชุดกระชากล่างเราไปก่อนเมื่อเราเริ่มพิจารณาทำไปจิตปัญญามันเริ่มหมุนแล้วเรียวกงวัฏจักรธรรมจักรเริ่มหมุนแล้วเริ่มคิดไปในแนวทางที่พระเจ้าทรงสอนแล้คิดแลนะคิดไปด้วยเหตุด้วยผลแล้วต่อไปมันก็จะคิดไปในแนวนั้นไปเรื่อยๆมันก็จะสามารถที่จะเกิดความรู้ความเห็นมากขึ้นไปโดยมากกว่าที่เราได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นธรรมะที่เราได้ยินจาก ครูบาอาจารย์ จ, จากพระพุทธเจ้านี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับใบไม้ในกำ ม, มือแต่ธรรมะที่จะปรากฏขึ้นในจิตในใจของเรานี้เป็นใบไม้ในป่าในในเขานี่มันจะมีความรู้อะไรผุดขึ้นมามากๆแต่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเอามาพูดหรือเอามาอธิบายให้กับคนอื่นเพราะมันไม่เกิดประโยชน์ประโยชน์สําหรับผู้ผู้อื่นก็เพียงแต่สอนวิธีให้เขาคิดเป็นสอนวิธีให้เขาปฏิบัติเป็น ถาเขาปฏิบัติเป็นคิดเป็นแล้วเขาก็จะสามารถสร้างความรู้ต่งางๆขึ้นมาให้กับจิตใจของเขาได้อย่างนี้ปู่มั่นท่านอยู่ในป่าในเขาคนเดียวท่านนี่ยท่านไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์มีคนถามว่าเวลาท่านมีปัญหาท่านจะไปถามใครปูม่ม่นท่านตอบว่าพอผมไม่ได้ต่อมาะนะแต่ผมฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาก็สาิตใจท่านพิจารณาธรรมะอยู่ตลอดเวลานั่เอง การที่เวลาทำมาไปมันก็เป็นเป็นชนวนไงเรามันมีเหตุมีผลมีปัญหาเราก็หาคาตอบในนั้นอ่ะมันก็มีคาถามมีูรงไหนคาตอบก็จะตามมาเองผดขึ้นมาผดขึ้นมารับัปไปลับไปไปจะนานแล้ไปถ้ามันอยู่ในกรอบของตายลับแล้วมันจะจะไม่ไม่ไม่หลงทางอาจารย์เพราะว่าท่านคิดเองต่อยางเกิดขึ้นเองมันถามเองตอบเองท่านใช่ไม่ต้องให้กา อถ้าถ้ามันถึงขั้นที่มันหมุนเองอนเองนเงี่ยถ้าหมุนเองถ้าบางบางถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นบางทีมันมีปัญหายัางต่อไม่ได้ก็ปล่อยไว้ก่อนพอนาวไปอีกปฏิบัติไปอีกเรากระทั่งจิตมันลงลึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะมันก็จะเข้าใจขึ้นเองถ้าเรายึดแนวที่ท่านสอนไว้ให้ใ ห, ให้คิดเนะี่ยคือให้มันยึดอยู่ในแนวใจรักไว้แล้วไม่ไม่มีปัญหาอะไรไม่ไม่เป็นไรไม่อะไรเลย ทุกอย่านี้เจอได้ยินว่าครูบาอาจารย์เวลาภาวนาไปเนี่ยบางทีครูบาอาจารย์ถึงหปู่มั่นหรือหลวงปู่ที่ท่านหมดสภาพไปแล้วขุดขึ้นมาแต่จิตก็มีเพื่อที่จะมาบอกอุบายธรรมต่างๆท่านอาจารยเคยเจอแบบนี้นหมครับก็ในหนังเสือปฏิบทติหลวงปู่น้วงตาท่านก็นเขยนเกี่ยวกับคุณแม่ชีแก้วที่ท่านบอกท่านจะไปเยี่ยมหลวงปู่มั่นเลาวพอได้ข่าวว่าท่านไม่ค่อยสบายแต่ก็เตรียมตัวต้องหลายครั้งก็ไม่ได้ไปสักที จนในที่สุดคืนสุดท้ายจะไปพรุ่งนี้เช้าอย่างเงี้ยหลวงปู่ท่านก็มาเข้าในสมาธิของนาชีบอกว่าไปก็ไม่เจอตัวเราแล้วเราตายแล้วท่านรู้ก่อนที่คนเอกจะรู้คือคนในหมู่บ้านนะั้นไม่ไม่ทราบข่าวว่าหลวงปู่ม่านได้มรณะภาพไปแล้วเมื่อตอนตี 1, 2, 2. 2> หนึ่งตีสองตอนคื อ, อแต่ท่านนั่งสมาธิตอนนั้นพอดี ห, หลวงปู่ท่านก็มาเข้าในสมาธิพอดี พอตื่นขึ้นมาทั้งก็นั่งร้องผมร้องไห้ันเดียวไม่คือด้วยการกระถามร้องไห้เรื่องอะไรไท่านก็บอกว่าเมื่อคืนมี้นุ่มกลุ่มมาบอกว่าท่านมารวบข่าวด้วยแต่พอสายๆคนจากที่อำเภอก็ เ, เอาข่าว ม, มาบอกทนเรื่องของขีดนี่มันก็มันลึกลับบางทีมันไม่มันไม่ได้อยู่ในสกายตีเด็กเน้นบางทีเราฟัง เราก็อย่าไปประมาทบางคนที่ศึกษารพระไตรปิฎ ก, กแล้วถ้าไม่มีอะไรในพระไตรปิฎ ก, กก็ถือว่าเพ้อเจ้อไปก็ไม่ถูก อ, อย่างหลวงรัชวงศ์ทึกในที่วิพากษ์วิจารณ์หลวงเสือที่หลวงตาเขียนนั่นเป็นปริยัตนึ่งเขาอ่านจบพระไตรปิฎ ก, กแต่ก็ไม่เคยปฏิบัติ<ม><ม>พเพราะสิ่งที่พระเจ้าสอนก็เหมือนใบไม้ในกำมือ น, นี่เองอื มีมากมายแต่สิ่งที่มันนอกเหนือจากนั้นแต่มันไม่จาเป็นที่จะให้พวกออกมาแบบมาหาก็ไม่สอนให้เสียเวลาให้พวกเราปฏิบัติไปแล้วไปเจอเองดีกว่าให้ไปเห็นเองดีกว่าจะได้ไม่สงไม่สงสยัยพูดตอนนี้ก็จะสงสัยหาว่าง ม, มงาย <c oughs> หาว่าหลอกให้ง ม, มงายไปหลอกป <c oughs> อย่างตอนนี้เราปฏิบัติแล้วก็ไม่สนใจเรื่องเวียนวหวตายเกิดเรื่องพพาชาตาเน่นะ เราสนใจอยู่ที่จิตตัวเดียวทําไรให้จิตมันไม่หวั่นไหวไม่ให้มันทุกข์เท่านั้นเองสนใจแค่นั้นะเรื่องพบหน้าชาดามีจริงหรือเปล่าไม่เคยสนใจนี้ก็มีไม่มีมันก็ไม่เกี่ยวกับเราไอ้ตัวทุกข์เนี่ยมันความวุ่นวายใจทํางานไม่ให้มันวุ่นวายใจให้ได้ทาไมเราต้องมีความสุขต่อเมื่อเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทําไมเราไม่มีความสุขตัวที่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้เลยคือปริศนาที่เราถามตัวเราเอง ทำไมต้องได้สิ่งนั้นถึงจะมีความสุขพอได้มาสักพักก็เบื่อก็อยากจะได้สิ่งใหม่มันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอเรา อ, <ừ. S 1> อยากจะถามตัวเองว่าเราไม่มีอะไรเลยหรือที่เราไม่ต้องมีไม่ได้เลยก็พอได้อ่านหนังสือธรรมะท่านก็บอกว่าพอดีดอนะรรมมก็บบ อ, กกอยู่ในใจเรานี่แหละความสงบทำให้มันสงบแล้ว ม, ม, ม, ม, มันไม่ต้องมีอะไร รู้แล้วอยู่ที่ไหนเมื <c oughs> ่อวันก่อนก็มีคนมาเล่าสั่งหัวเขาวยนนี้เขาเจอธรรมะแล้วเขารู้เราก็ถามว่าอยู่ที่ไหนเขามาอยู่ที่ตัวเราเนี่แหละเมื่อก่อนนี้เขาวุ่นวายกันเรื่องนุ้นเรื่องนี้เรื่นี้เขาเฉย่ะก็ปล่อยวาง เดินเรื่อยๆก็จะมีอุิศแล้วครื่นวางนรูปของระวังแยกใช่เพราะว่ามันความถูกพันมันมีมากน้อยต่างกันเนี่ยบางทีเราก็คิดว่าเราปล่อยวางหมดแล้วแต่พอไปเจออะไรจริงๆเข้ามันสะเทือนใจขึ้นมาได้เหมือนกันงั้นก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่าประมาทคิดว่าแต่ไปคิดว่าเราแก้ปัญหานี้ได้แล้วปัญหาอื่นเรายังจะเราเราเราจะแก้ได้มันไม่แน่หก็พยายามปฏิบัติไปเรื่อย แต่ถ้าถ้าจะแก้ให้มันแก้ที่ใจเราเท่านั้นอย่าไปแก้ที่ภายนอกอย่าไปแก้คนนั้นคนนี้เขาแก้เขาไม่ได้หรอกคือถ้าช่วยเขาได้ช่วยช่วยแก้ให้เขาเป็นคนดีได้ถ้าช่วยใจแต่อย่าไปหวังเป็นการแก้ปัญหาในใจเราปัญหาในใจเราก็คือเราต้องปล่อยเขาปล่อยเขาก่อนปล่อยเขาได้แล้วเราไปช่วยเขายังไงก็ได้เขาเขาเขาเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตัวเขาดีขึ้นมันก็เป็นประโยชน์กับเขาเอง แต่เราก็ไม่ได้ไม่เสียจากการการเปลี่ยนแปลงของเขาถ้าเราแก้ของเราได้แล้วถ้าเรายังไม่แก้ของเราเราไปช่วยไปเปลี่ยนแปลงเขาเราก็จะคอยตามเขาไปถ้าเขาดีขึ้นเราก็ดีใจตามเขาไปถ้าเขาเลวลงเราก็เสียใจตามเขาไปแต่ถ้าเราแก้ที่ใจของเราแล้วปล่อยเราก็จะดีจะช่วยกับเรื่องของเขาถ้าเราไปช่วยเขาอีกทีถึงเขาดีก็เราก็เฉยเยพอเลวเราก็เฉยเฉย เราก็กช่วยไม่ได้ก็ช่วยได้ทางนี้เช่ไหมดังนะั้นต้องแก้ปัญหาปัญหามันมีสองสองส่วนส่วนนอกกับส่วนในส่วนสําคัญก็คือส่วนในต้องแก้ปัญหาส่วนในของเราให้ได้ด้วยการปล่อยวางต้องยอมรับสภาพของอันนี้จังทุกขังอนัสตาต้องยอมต้องยอมรั บ, รบว่าคนเรามีบุญมีกรรมเขามีบุญมีกรรมของเขามาก็ เ, าเลยต้องเป็นอย่างนี้เ ป, นเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาส่วนเราเราแก้ปัญหาภายในใจของเราคือเราต้อง คิดว่าเขาไม่ใช่เป็นอะไรกับเราความจริงเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราถ้าเป็นก็เป็นในลักษณะสมมุติเราเป็นเหมือนตัวละครเรามาเล่นละครอย่างในโลกนี้เขาสมมุติให้เราเป็นแม่เขาสมมุติให้คนนี้เป็นลูกก็เล่นกันไปเท่านั้นเองพอจบละครต่างคนก็ต่างแยกกันไปกลับบ้านไปค น, คนละบ้านกันนี่คือสมมติเนี่ยโกสมมติเป็น่านี เ้าเกิดมาแล้วก็มีสมมุติมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงแต่เราหลงติดจะสมมุติเป็นเอาจริงกับจรงกับมันไม่ได้คิดว่ามันเป็นละครพรังอย่างเช็คสเบีย เ, เขายังบอกว่าโลกนี้เป็นเหมือนกับโรงเวทีโรงใหญ่ฝ ล, ลังก็เขาก็มีปัญญาเหมือนกันเ้าก็มองเห็น okay. เห ม, ม, ม, ม, มือนกันก็ทำเด็ดแล้วต้องทําหน้าที่ของเราก็ทําไป ทำให้สมบูรณ์แต่ไม่ได้ไปแบกไม่ได้ไปแบกเขามีหน้าที่ส่งส่งเสียเขาให้ได้เรียนได้ศึกษาสอนให้เขารู้จักผิดดีช่วยแล้วก็สอนหมดแล้วทาหมดแล้วหรือเขาจะลิ้นรอนแหกแหกข้อแฉกตรงไปหาหานรกก็มันก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมเราไปเฝ้าเขาอยู่ตลอดเวลาได้ไหยเราต้องจับเขาผูกกับตัวเราไว้ตลอด24ชั่วโมงใช่ไหม เราทำหน้าที่ของเราให้ให้เต็มที่ก็แล้วกันมีหน้าที่อะไรเราก็ทําไปแต่เราต้องยอมรับความจริงของขับแล้วเราจะได้สบายใจพีัขท่านมีป่าพี่มีไม่ทราบท่านแต่ได้ยังพอดีเมื่อันก่อนมีมีคนเอามาให้ท่านดิกบวกว่าถ้าท่านแต่ใจ ใช้อีกก็ใหใใจวัน<อ>นี้ท่านใหเรายังไงถ้าไปตดโตังอาสีติมาสามาวหท่านครูบาอาร <c oughs> ยพที่อยาธรรมะคาม า, มาจากไหนเพราส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เรกษนาจาักหนังสืออะไรธรรมะส่วนใหง่ก็ได้จากได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์่จะอ่านจากหนังสือที่เขาคัดมาิีแต่ส่วนใหญ่จะไม่เคยไปอา่านหนังสือที่เป็นตาราเลย ก็อ่านไม่ได้เห็นว่ามันมันมันมันเรื่องมันเยอะเกินมันทีไม่ตรงกับประเด็นที่เราต้องการที่จะรู้แต่ถ้าอ่านจากหนังสือของครูบาอาจารย์ของพระปฏิบัตินี้ท่านจะพูดแต่ประเด็นที่มันมันปัจจุบันที่เกี่ยวเรื่องกับเราแล้วก็ยกเรื่องเจ้าพระไต่ายเปดดกมาเสริมมาประกอบแต่ถ้าเราไปอ่านอ่านหนังสือพระไต่ปดดกหรืออะไรทั้งเล่นมันมันเยอะไปหมดอ่ะมันมีเรื่องนึงเรื่องนั้น ถ้ามางทีมันจะทําให้เราทอ้อโอ้ต้องเรียนขนาดนี้มัน <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องนะครับหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งที่สอนเจาะไปที่จุดสําคัญสําคัญก็หนังสือของครูบาอาจารย์ถ้าใจดีก็ยัไม่ได้ไม่เหมือนทุกอย่ไม่ไม่ไม่ไม่ปฏิเสธว่าไม่เป็นสิ่งที่สําคัญมีไว้ก็ดีกแดีดแต่มันเป็นคล้ายๆเหมือนกับตู้วยาตูวยานี่มันมีย า, ลาหลากหาสารพัดชนิดเลยเวลาเราปวดหัวแล้วเขไปหายา อันชนี่ไหนจะกินมังทีตายเพราะหายาหาไม่เจอไม่เจอแต่ถ้าไปหาหมอนี่ปัาบหมอเอ้าหัวหมอให่ยาถุกเลยเมอเขาบอกว่าก่อนจะีบาร์เขาต้องศึกษาผู้ายีเด็กให้รู้แจ้งก่อนนี้ะแล้วถึงเขาบอกถึงแบบเริ่มบาอันนี้หลักการนี้ได้ถ้าเขาเข้าใจว่าถ้าใดตายจีเดอกนี่ถึงแม้จะมีมาก หมายเพียงไรก็มีเนื้อหาสาระแค่เรื่องเดียวเท่านั้นเองคือเรื่องทุกข์กับวิธีดับทุกข์เท่านั้นเองพราะถ้าถ้าเขาอ่านพระอ่านอริยสัจสเข้าใจก็พอแล้วหัวใจของศาสนาก็อยู่ตรงนั้นเองแต่เรื่องอื่นก็เป็นองค์ประกอบทุกเจ้าไปสอนคนนั้นที่นั่นสอนเรื่องนี้ไปสอนที่นู่สอนเรื่องนี้มันก็สอนมาที่อริยสัจสีในแง่ต่างๆสอนเรื่องทานบ้างสอนเรื่องศีลบ้างสอนเรื่องสมาธิบ้างเรื่องปัญญาบ้าง ถ้าถ้าแต่อ่านทั้งทั้งหมดไม่อ่านได้แล้วมันจะมันจะเป็นภาระคนอ่านหรือไม่อ่านก็จะมาเริ่มต้นจุดเดียวกันเหมือนกันคนอ่านหรือไม่อ่านก็นแล้วแต่ถ้ามัจะเริ่มทําก็จะมาเริ่มที่จุดเดียวกันเร่ยกว่าจุดที่เป็นหัวใจของของระยะสี่นี่คือถ้าอ่านแล้วให้มันจับประเด็นให้ได้ถ้าอ่านแล้วมันมันได้ความรู้ช่วมหัวตัวแม่รอดนี่เร็วกว่าคนที่ ค, คือปฏิบัติโดยที่ไม่ได้ศึกษาก็ไม่ได้ไม่ทำเพราะถ้าไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวก็หลงได้หลงทางได้ที่การศึกษามันมีสองแบบศึกษาจากหนังสือหรือศึกษาจากครูบาอาจารย์อย่างครูบาอาจารย์ี่ใ่ท่านจะสอนเราเหมือนกับพ่อแม่สอนลูก ลูกนี่เกิดมาไม่ต้องไปโรงเรียนก็รู้รู้จักการพูดได้ใช่ไหมไม่ต้องไปเรียนการพูดว่าพูดภาษาไทยพูดอย่างไรรอดฟังพ่อแม่พูดก็หัดพูดได้อยู่ว่าครูบาอาจารย์ท่านก็พาปฏิบัติได้พาพาบินตา บ, บาทพาอะไรทําอะไรสอนนั่งสมาธิสอนทำอะไรก็เรียนไปากัอย่านงนี้มันมันง่ายกว่าเพราะว่ามันมันตรงเรื่องถ้าไปอ่านพระไตรปิฎกนี่มันมัน มันเรื่องมันเยอะคือ ท, ที่มันเยอะเพราะว่าเขาพยายามที่จะรักษาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ทรงแส ด, แดงธรรมในสถานที่ต่างๆแต่ถ้าเราวิเคราะห์แล้วเราจะเห็นว่ามันก็มีอยู่สามเรื่องคือทานศีลภาวนาที่เป็นเรื่องหลักของการดับทุกข์แล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับสังคมเช่นความรับผิดชอบต่อต่อต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะไรวิธีปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน หรือธรรมะเสริมที่จะทําให้การปฏิบัติทางศีลภาวนาของเราเป็นไปได้อย่างราบรื่นดีางานแต่ถ้าเราศึกษาอยิ่แล้วตัวหลักๆ ก, ก็คือมรรคแปดนี่มรรคแปดแล้วตัวปัญหาก็คือตัวอริยสัจคือทุกอริยสัจกับสมุทยัยสมุทยัทยสัจจะนี่เป็นตัวปัญหาแล้วตัวที่จะแก้ก็คือมรรคแปดผลก็คือนิโรธคือการดับทุกข์ก็ อ, อยู่ตรงนี้ ที่ถ้าอยากจะไปเดินอ้อมไปก่อนก็ได้ <c oughs> ไปาาษาปไตไปโดยสักสิบปีก็ได้การระวังเนี้ยมันต้องเยอะนะอ่านเล่มนี้แล้วเดี๋ยวพอไปอ่านเล่มมันก็ลืมนะแล้วถ้ามาจดมาจําไม่ได้นะการการการปฏิบัติการศึกษาจริงๆไม่ต้องการกจดจำต้องการให้จับประเด็นให้ได้จับประเด็นแล้วให้เกิดความเข้าใจว่าเราต้องเอามาทำอย่างไร เป น, นการการศึกษาแผนที่ให้รู้ทางเนั้นเองยิ่ศึกษามากแล้วไม่เดินออกเดินทางส้กทีไว้ก็ไปไปม่ไถึงไหนอยู่ดีดูแผนที่โลกคนะือคือสู้ศึกษาไปปฏิบัติไปเลยก็ดูดูแผนที่เอาแค่ช่วงแรกก่อนจากถนนนี้ไปสู่ถนนนี้พอถึงย่างนั้นแล้วค่อยมากลางแผนที่ดูทีก็ได้ถึงตรงนี้แล้วจะไปทางไหนต่ออย่างนั้นจะดีกว่า ดีกว่ารู้ว่าไปทางนี้แล้วต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปแต่ยังไม่ได้ไปสักทีพอไปแล้วก็ลืมเเมื่อก่อนที่เราเราจําได้เราต้องเลี้ยวซ้ายเนี่ยเดี๋ยวประเด็นนี้ซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวต้องกลับไปค้นหาหนังสืออคดูปฏิบัติศึกษากับคนที่เขาเขามีประสบะการณ์แล้วดีกว่ามีบาอานจากหนังสือแต่ถ้าไม่มีก็ต้องอาศัยหนังสือ ถ้ายังมีคนที่สามารถสอนเราได้อันนี้มันจะง่ายกว่าเพราะเราสงสัยอะไรีถามท่านก็จะสามารถที่จะแก้แก้แก้ความสงสัยของเราได้ท่านครับนี้พือคนหนึ่งเขาชอศึกษาคณัลยนักเตะเที่ยเขาบอกว่าเข้าติดกเมี่ยเกิดหลังจากที่จระเจ้าพุทธิพาน้วความน่าเชื่อถือของพร่เจ้ิฎกที่เกิดจากการสัมผัสงานของพรหารเนี่ยจะน่าเชื่อถือได้จริงหรือมีเหตุผลอ้างอิงว่าแต่ละแต่ละงนี้จะ ศึกษาปฏิบัติหรือาทอดสิ่งที่เกิดในรั้งพิกการได้แน่นอนอมันมีงานไมือ่าครับมันมีเยอะอ่ะคือถ้าจะว่ามันทุกคำคำพูดคำสอนนี้มันมันเหมือนที่ผู้เจ้าตลับมาเลยคงเป็นไปไม่ไดแ้แต่ถ้าพูดถึงเนื้อหาสาร ะ, ะนี้ถ้าที่มันผ่านมาสอ0พันห้า้อยกว่าปีพระอรหันต่แก้ลูกก็ไม่มีใครมาประกาศว่ามันมันผิดพลาดมันผิดเพี้ยนไปจากคาสอนของพระเจ้า ในส่วนที่มันผิดเพี้ย น, นก็อาจจะมีบ้างที่เป็นส่วนประกอบแต่ตัวแก่นเนี่ยมันไม่ผิดอริยสัจสิ่งไม่ผิดไม่ไม่ผิดมรรคแปดไม่ผิดเพียงแต่ว่ารายละเอียดของการปฏิบัตินี่มันอาจจะไม่ละเอียดพอเช่นเวลาปฏิบัติเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องไปถึงสมาธิถึงขั้นไหนถึงจะออกสู่นิพพานได้อะไรเงี้ยก็ต้องอาศัยผู้ที่ปฏิบัติอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยมามาม า, มาสอนอคที บางคนก็คิดว่าต้องได้ฌานต้องได้สมาธิเป็นขั้นแล้วถึงก็ออกมีปัจจานาบางคนก็บอกว่าไม่ต้องสมาธิเลยก็ได้เอาปัญญาลูกเดียวเลยก็ได้บางคนก็บอกต้องเอาทั้งสองอย่างทอามาร์กมันมีทั้งสิ่งมีทั้งสมาธิมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาถ้าปฏิบัติแล้วก็จะรู้เองว่าคาตอบที่ถูกต้องอยู่ตรงไหนยังก็ต้องอาศัยคนที่บรร ล, ลุถึงจะดีสุด ยเงี้ยพอสมัยปัจจุบันเนี้ยพอมีหลวงปู่มั่นมาองเดียวนั้นนี้ยแก้ความสงสัยได้เยอะเลยใช่ไหมคนปฏิบัติหลุดพ้นกันไปได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกขอให้ถือ ว, ว่าเป็นเป็นคําสอนที่เป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นของกลางนะของกลางที่มันมีเวลาผ่านมาแล้วมันมีโอกาสบ้างที่มันอาจจะมีอะไรสิดพลาพบ้างแต่อย่าไปถือเป็นสาราทาี่สำคัน สาระสำคัญอยู่ที่การพิจารณ์ของเรามากกว่าด้วยการปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วเรามาบอกว่ามันผิดมันถูกนี่มันเราจะเราจะไม่มีไม่มีเหตุสิ่งหนึ่งแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะรู้ว่าบางส่วนมันอาจจะผิดพลาดไปได้เพราะคนที่เป็นกุทิชนกับคนที่เป็นคพระอราหานันต์นี่มันมีความเห็นไม่เหมือนกัน แล้วคนทาคนที่มาสังขายานามไม่ใช่เป็นทา่านะนี้มันสามารถที่จะเข้าใจผิดได้อาจจะแปลความหมายของคำบางคำให้ให้ผิดไปได้แต่อย่าไปถือว่าเป็นสารสสำคัญใครถ้าถ้าจะถามก็บอกว่าในความคำสอนหลักๆนั้นไ ม, ไม่ผิดเพี้ยนเราสามารถที่จะได้สามารถที่จะได้ นี่แล้วเราโชคดีที่เราเกิดมาแล้วก็ไดทานครูบาอาจารย์สรรยืบทอดจากพระอุ ม, มั่นมานใช่เนียสิเนี่ที่โชคดีตรงนีก็จแต่<อ>งก็แต่งว่ามีมีพระรัานานนตนใจไงไน่มีพระพุทธเจ้าก็ยังมีพระธรรมถ้าไม่มีพระธรรมก็ถ้ามีพระอริยสงฆ์ก็แทนมันได้ถ้าไม่มีพระอริยสงฆ์ก็ต้องอาศัยพระธรรมหือพระไตรปิฎกเป็นหนังสรรือของครูบาอาจารย์ที่ท่านมาณนาภาคไปแล้วเอามาอ่านกัน แต่มันก็สู้อยู่ศึกษากับจัดท่านดูตรงไม่ได้เพราะว่าท่านจะเห็นการปฏิบัติของเราแล้วถ้าเวลาเห็นเราเดินออกนอกลู่นอกทางท่านจะได้ขนาบได้ช่วยเราได้ขนาบให้เรากลับเข้าสู่ในทางได้แต่ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์คอยคอยคอยเฝ้าคอยดูแบบเดี๋ยวเราหลงตัวเองได้เราปฏิบัติไปแล้วเราจะตุงแต่งขึ้นมาว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอยนี้ แต่เราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้แต่ถ้าอยู่กูบาร์อาจารย์ท่านจะมีมีวิธีพิสูจน์มีทดสอบจิตใจเราอยู่เร <c oughs> ื่อยๆดังนัก็ให้ยึดหลักพระรัตนกตใจไว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้พระพุทธเจาท่านจะเมาแล้วภาพท่านนิพพานแล้วก็มีพระธรรมพระธรอรยอิยสงฆ์พระเจ้าของแต่ละผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นราวตะขากร นี่คือเห็นธรรมเห็นเราก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระอริยสงฆ์นั่นเองก็คือตัวเรานั่นแหละถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าผู้ที่จะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมก็คือพระอริยสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพวกเราเนี่ ใครถายของที่ไหนคะเพื่อนที่สามาถ้าพูดที่จัดเนี่ย้ทางทั้งหญิงทั้งชายได้ใหทั้งหญิงทั้งชายก็อยู่ที่จิตเนี่ยจิตพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นทั้งหญิงเป็น้ชายก็ได้อันนี้คงจะเป็นการจินตนาการของคอยว่า พรโพธิสัตว์รูปหนึ่งจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าเขาอาจจะไม่ทราเจ้าแม่คนอิมนี้เป็นบุคคลในอดีตหรือเปล่าผู้บอกว่าเป็นตามที่ได้ทราบมาว่าเป็นพี่ดาของกษัตริอ์อาจจะเป็นคนที่มีมีคนลักษณะเหมือนพระโพธิสัตว์เขาก็เลยเขาก็เลยยกย่องว่าเป็นพระโพธิสัตว์แต่ตอนที่มันไม่มีใครมาประกาศว่าคนนี้เป็นโพธิสัตว์นี้ไม่เป็นโพธิสัตว์ โพธิสัตว์มันเป็นเรื่องของจิตใจของแต่ละคนที่จะบำเพ็ญไปเรื่อยๆดังนั้นแม้กระทั่งโพธิ์โพธิสัตว์เองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโพธิสัตว์เองแต่รู้ว่าตัวเองชอบบำเพ็ญความดีงามทั้งหลายก็พยายามบำเพ็ญไปเรื่อยๆหรืออาจจะพราดก็ได้เพราะอาจจะเคยได้ยินได้ดศึกษาธรรมะมาก่อน แล้วได้ยินว่ามีบา ร, รมีศีอะไรอย่างนี้จะพยายามพยายามมองเห็นไปหรือว่าอย่างไรสมัยนี้เราอาจจะเอาธรรมะที่เราได้ฝึกได้อ่านมาแล้วมามามาแท่ามาประกอบกับคนนั้นคนนี้ว่าเออคนนี้เขามีสุส ม, า ม, มบา ร, รมีศีกอะไรอย่างนี้เป็นคนที่ทําความดีทําประโยชน์กับผูอืน่นนด้เช่นในหลวงนีบางคนก็คิดว่าท่านก็เป็นพระผู้ดีเหมือนกันะ คนความที่มีมีความดีงามมากทางด้านทานศีลมุธรรมะันติวิริยะอะไรต่าถ้ามันเป็นเรื่องกับคุณทมความดีทั้งศีการนี้ก็ถือว่ากำลังบำเพ็ญเป็นภาพโพธิสัตว์ก็ได้แต่และวเรียนดาวธมมาไม่ได้ศึกษานะว่ามีมีเงื่อนไขยอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นโธพธิสัตว์ที่หนา จ, จะต้องวะ อธิษฐานจิตแล้วเปล่าว่าจะขอบำเพ็ญบารมีทั้งสร็จนี้ไปทุกภพทุกชาติเพื่อจะได้จักสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาบางคนอาจจะต้องตั้งจักตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ก่อนก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งสัจจะแต่ก็บำเพ็ญเหมือนกับเป็นพระโพธิสัตว์อย่างนั้นเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้หมายถาว่าในการทางแล้วจะเจอพระพุทธเจ้าแล้ว ฟังธรมมงรมะเข้ยเจแล้วเกิดทางเข้าใจก็เลยมุ่งไปที่การภาวนาปฏิบัติให้หลุดพ้นหลื่อลืมปล่อยวางเรื่องทางไรื่องชืออ่หล่ห์คนอื่นไปมุ่งไปทางด้านสีนเนื้ธรรมะไปถ้ายังมุ่งไปทางทางอยู่ยังไม่เข้าไปทางสีทางเนืธรรมะอยู่ก็ยังค่ะว่ายังยังยังต้องการที่จะบำเพ็ญทางด้านดานบาลเมีนี้ให้ให้แก่เจ้า เพื่อที่ตนเองจะได้บรรลุเป็นพระมัทธิยาการไปแต่ถ้าเราคิดว่าการบรรลุเป็นพระเจ้านี่มันเท่กว่าการเป็นท่าหรือไรนี้ก็เป็นเรื่องที่ของกิเลสเป็นเรื่องของความเข้าใจจิดเพราะการไม่เป็นเป็นพระมัทธเจ้าแล้วเป็นท่าหรืนี่มีถ้าพูดถึงคุณค่าทางด้านจิตใจเท่ากันจิตใจสะอาด บ, บริสุทธิ์เท่ากันซึ้นกิเลสเท่ากัน ถึงพระนิพพานเท่ากันไม่ต้องไปเรียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปต่างกันที่ความสามารถพระพุทธเจ้านี่แต่และองค์นี้ท่านต้องสะสมความรู้ความสาสามารถมากถ้าเป็นนักเรียนก็ต้องเรียนได้สี่จุดทุกวิชาถึงจะได้ปริญญาแต่ส่วนพระอรหันต์ี่ท่านได้สองจุดขึ้นไปก็ก็ผ่านได้ก็ได้ปริญญาเหมือนกันต่างกันตรงนั้นเองคือถ้าอรหนอันต์อาจจะไม่มีความรู้ทั้งสี่จุด แต่ท่านแต่พระพิทธเจานี้แต่เรานี้ต้องบำเพ็ญให้ครบได้สี่จุดทุกวิชาถึงจะไม่รู้ว่าวิชาไหนสำคัญกว่ากันก็เลยต้องบำเพ็ญให้มันเท่าให้มันถึงที่เต็มสุดของมันองเต็มที่ของมันทั้งหมดทานก็ต้องเต็มที่ศีลก็ต้องเต็มที่เนตธรมะ ก, ก็ต้องเต็มที่คือแบบต้องแบบพวกอุปปิษฐยปฏิบัติลังค์ก็ต้องแบบอุปปิษอย่าเป็นพระที่อะไรที่ใชรหลวท่านทรงแต่งพระมหาชนกเนี่ย ลอยคอในทะเลก็ไม่รองแพ้ก็ต้องว่ายไปจนถึงฝั่งจนได้ถ้าเป็นพวกเราก็ลอยคอมองไปไหนไมันไม่ไม่ตะเกียกตะกายนะแ ต, แต่ถ้าเป็นพระโพธิสัตวเขาไม่อย่างนั้นเขาไม่งอมืองอเท้าตราบได้ที่เขายัางมีชีวิตอยู่เขาจะไม่ไม่ปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดนไม่ได้ทำเตี่ยวไม่ได้ทำตันดี อ ย, อย่างพระเวสสัดนดรท่านการศละทําบุญทำทานหมดทุกอย่างคือพวกนี้ขั้น อ, อปุปติจึงนั้นถึงได้เป็นเป็นพระโพทิสตว์แต่ยังพวกที่เป็นสาวกพวกก็เรียกอะไรสาวกภูมิก็แบบแบ บ, แ บ, บทำแบบพอประมาณอย่างพวกเราก็ทําเผื่อเผื่อเก็บไว้บ้างให้คนอื่นบ้างอะไรเงี้ยเผื่อ ว, วันหน้าเกิดเราตกทุกข์ได้ยากอะไรเงี้ยแต่พวก พวกพร ะ, ะโพธิสัตว์นี่ก็ไม่กลัวความทุกข์ความยากความลำบากถ้ามีความจําเป็นจะต้องสละหมดก็สละหมดไปแล้วก็จะว่ากันข้างหน้าก็จะหาวันใหม่กันข้างหน้าแต่ทุกข์แตยากลำบากมันก็แค่ตายนะครับโพธิสัตว์คิดอย่างนั้นแต่พวกเรามันยังกลัวตายกันอยู่กลัวความยากกันมลำบากอยู่ทาทานก็ต้องบวกลบคูณหารดูก่อนต้องดันไม่ใช่ทั้งไหนบ้าง แต่ก็เมื่อได้โอกาสถึงเมื่อบา ร, รมีมันแก่ก้าวพอทำให้เราสามารถเข้าสู่การภาวนาได้แล้วมันก็จะมันก็จะไปเหมือนกันเข้าสู่ภาวนาเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ปัญญามันก็มันก็หลุดพ้นได้เหมือนกันแต่ความสามารถที่จะมาอบรมสั่งสอนคนเองนี่มันไม่เท่ากับอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่าสนสอนคนได้มากมาย่ายกองเพราะท่านบํนบรราเพ็ญปัญญาบารมีถึงขั้นเต็มที่เลย ลองลงมาก็มีพระสาวรีบุตรพระสาวรีบุตรนี้ก็ถ้าสมมุติว่าถ้าไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าก็อาจจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยองศอกันก็ได้ถ้าไม่ได้มาเจอพระพุทธเจ้าแล้วมาม า, มาบรรลุเป็นพระอหรหันต์เราเพราะในบรรดาสาวองทั้งหลายพระเจ้าก็ยกย่องพระสาวรีบุตรว่ายอดเยี่ยมทางด้านปัญญา แล้วอย่าไปกังวลในเรื่องอเรื่องคุณสมบัติเรื่องโภทิสัตว์อะไรมาก <c oughs> มาไปเลยมากกว่าการบำเพ็ญของเราไม่น้องกังวลว่าเป็นหญิงเป็นชายอย่ <c oughs> เป็น เ, <c oughs> เป็นผู้ใหญ่ทศนิยบลุบเป็นพระอรหันต์ก็มีเยอะในชีสมัยนี้ที่ ท, ที่มีที่เราเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ก็มีอยะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เพศ คือแต่ว่าอาจจะยากหน่อยสําหรับผู้หญิงเพราะว่าเพศของผู้หญิงอาจจะเป็นเพศที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติเหมือนกับเพศของผู้ชายแต่ก็ไม่มีไม่ได้ปิดทางไม่ได้ปิดกั้นเลยทุกคนมีสิทเท่าเทียมกันเพราะการจะหลุดพ้นไม่ได้อยู่ที่เพศไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่ไวัยแต่อยู่ที่มรรคแปดใครมีมรรคแปดใครบำเพ็ญมรรคแปดได้สมบูรณ์คนนั้นก็สามารถบรรลุได้ ขอให้เราเจริญมากข่ายแมกมักแปดให้เต็มที่เถิดที่ท่านตรัสไว้ว่ามักต้องเจริญใ ห, ให้ให้บริบูรณ์ให้สมบูรณ์ทุกต้องกำหนดรู้สมุทยต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งมักต้องบาเพ็นให้สมบูรณ์การบําเพ็ญมากนี่แหละก็เป็นการ การกำหนดรู้ทุกข์เพราะเวลาเราปฏิบัติไปเราก็ต้องกำหนดรู้ทุกข์เช่นเวลาเรานั่งแล้วเราเจ็บเราปวด น, นั่นหละเรากำลัง mm. กำหนดรู้ทุกข์เรากำลังแยกทุกข์สองชนิดให้ออกจากกันทุกข์กายจากทุกข์ใจแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกข์ใจที่เกิดขึ้นจากสนิทใจคือความอยากความไม่อยากเมื่อเรารู้เราก็ปัดความอยากความไม่อยากนั้นด้วยปัญญาก็เป็นทําให้เกิดนิโรธทําให้นิโรธให้แจ้งขึ้นมา ด้วยการละติฏฐิธรนั่นเอเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วไอ้อริยาศักดินี้มันจะไปพร้อมกันเหมือนกับรถยนต์เนี่ยเวลาเราอธิบายแล้วว่าก่อนจะออกรถต้องสตาร์ทเครื่องเหยียบเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์เหยียบน้ามันเครื่องจากรจะหมุงกี่รอบอะไรมันก็แล้วก็แล้วก็อธิบายแยกๆมาได้แต่พอเวลามันเวลามันรถมันวิ่งจริงๆนะมันทุกอย่างมันก็ทํางานของมันไปพร้อมๆกัน ดังเวลาเราจเจริญมรรคแล้วเราก็ถ้าเราจะเราก็จะกําหนดกําหนดรู้ทุกเราจะละสมุทไทยแล้วเราก็จะทำนิโรธให้แจ้งตัวสําคัญอยู่ที่ตัวมรรคนี้ตัวเดียวเท่านั้นเองฉะนั้นขอให้เราบําเพ็ญมรรคนี้คือสมาทิฏฐิจะนั่งถึงสั ม, มาสมาธิให้มีมีรรคคือสรุปลงมากก็คือสีสมาธิปัญญามรรคแปดนี้แยกออกมาแล้วก็เป็นสามส่วนสมัสามมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปก็เป็นองค์ของปัญญา สัมมากัมมันโตก็เป็นองค์สัมมาวาจาก็เป็นองค์ของศีลสัมมาอาชิวก็เป็นก็เป็นองค์ของศีลสัมมาค้าขายก็ต้องเป็นสัมมาชีวะแล้วก็สัมมาวิริสัมมาวายามมคือความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เป็นองค์ประกอบของสมาธิไม่ได้สมาธิใกล้จะเจริญปัญญา แล้วมีปัญญาก็จะรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชื่วก็จะมีศีลบ่อยสึกศีลเนี้พวกเราตอนนี้เราทำศีลแบบจําได้คือจําว่าต้องทําอย่างนี้ต้องแต่ยังไม่เห็นคุณค่าของการรักษาศีลที่จริงจนกว่าเราจะปฏิบัติตอนจิตของเราได้เกิดปัญญาเราจะเห็นว่าการรักษาศีลนี่มีคุณค่าเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราถ้าเราเห็นคุณค่าแบบนั้นแล้วเราจะไม่ละเมิดศีลนี้เข้ไป เนี่ยมรคก็อยู่ตรงนี้เราก็บาเพ็ญกันไปที่เรามาวันนี้ก็เราก็มาบเมาเพ็ญมรคกันบาเพ็ญนั่งด้วยการทาทานก่งนําทานให้จิตใจของเรามีความเมตตามีความกรุณาแล้วเราก็จะได้มีตั้งอยู่ในสิงคือมีสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาแล้วเราก็มีความเพียรที่มานั่งฟังเทศฟังธรรมใครฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นการสร้างให้เกิดสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องความคิดของเราก็จะตามไปความเห็นเห็นบาปก็คิดว่าบาปไม่เป็นสิ่งที่ควรจะละเห็นบุญว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ความคิดก็จะคิดที่จะทำบุญเห็นว่าการบาเพ็ญภาวนาการเจริญสมาธิปัญญาเป็นยุธีที่จะทำให้จิตหยุดพ้นเราก็นำมาปฏิบัติต่อไปมันก็จะทำให้เราจเจริมากไปเรื่อย ให้มันชอบสูงภาวนาให้ได้การเราก็ทำแล้วศีลเราก็รักษาศีลที น, น, นี้ตัวที่จะต้องทํามากๆ ก, ก็คือภาวนาสมาธิปัญญาปัญญานี่เราสามารถพิจารณาได้ตลอดเวลาเวลาที่เราไม่ได้สงบศีนสมาธิเราก็พิจารณาได้เช่นเราเดินไปไหนมาไหนเห็นอะไรเราพิจารณาเป็นายรักษณ์ได้หมดเห็นอะไรบางคนในสมัยพุทธกาลบางคนเห็นดอกไม้เขียวก็บรรลุได้ดอกไม้มัน ดอกหนึ่งมันสดใสอีดอกหนึ่งมันเหียวก็ก็พวบกันได้ว่าอดอกที่มันสวยสดใสนี่มันก็ต้องมันก็ต้องเหี่ยวต้องเฉาไปชีวิตของเราก็เป็นแบบเดียวกันมันนี่ชีวิตเราเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็เหมือนกับดอกไม้ที่เหี่ยบานพอไปมองเห็นคนแก่คนเฒ่าชีวิตของเราต่อไปก็จะต้องเป็นอย่างนั้นก็ฟงได้นไม่ไปยึดไปติดว่าจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดนี่เป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้น เพนันปัญญาอยู่ที่เราจะเราจะมองถ้าเรามองอะไรให้มองให้เห็นหว่ามีตายรักอยู่ในสิ่งที่เราเห็นแล้วมันก็จะมันก็จะทำให้เราคลายความกาหนัดจิงดีในสิ่งต่างๆทำให้เราปล่อยวางเราก็ไม่ไปแบกไปหาเมื่อเมื่อเราไม่แบกไม่หาเราก็ไม่ทุกข์กับมันเราก็หลุดพ้นจากมันทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่เพียงแต่ใจของเราไม่มีความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆที่ต่างกันไป เมื pues de lado, ja ่อก่อนนี้เรายึดเราติดเรามีอารมณ์กับสิ่งต่างๆเห็นอะไรจะต้องดีใจจะต้องเสียใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เดี๋ยวนี้พอเราเข้าใจแล้วเราปล่อยหมดนล้วไม่มีความดีใจเสียใจกับสิ่งต่างๆเห็นว่ามันเป็นธรรมดามีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วสลับคนใจในโลกนี้ เห็นความเป็นแบบง่ายๆแบว่ามีโอแบบเก็บดีแป้งดีหน้าแบบง่ายๆมันรู้แล้วคือมันมันปล่อยวางได้ไงมันเห็นร่างกายมันเหมือนดอกดอกไม้เนี่ยร่างกายร่างนี้ทุงวันนีมันก็ต้องเฉาแห้งเหมือนกับดอกไม้ที่มัน คือมันยังไม่เข้าไปตัดใจมันคิดยังเป็นสัญญาอยู่อ่ายังยังยังไม่ถ้าเรื่ถ้าเป็นสมาณนี้ก็ยังไม่ปิ้งอ่ะแต่ถ้าคิดไปบ่อยๆก็เยอะมันก็ปิ้งขึ้นมาเองเหมือนตอกเสาอ่ะตอนนี้ต้องตอกกัลงไปด้วยเร็วมันยังไม่จมลงไปในดินยังไม่แน่นความรู้ยังไม่แน่นใจมันยังไม่อินไปกับมัน พอมอคิดไปปั๊บเดี๋ยวมันลืมนะเดี๋ยวไม่เห็นดอกไม้ใหม่ก็ไปซื้อมาซื้อมาปลัดจ่ายการอีกนะแต่ถ้าปลัดอีกสองวันมันจะเหี่ยวมันจะเฉาต่อไปก็ไม่ไปซื้อมันมาให้เสียเวลาต้องเปลี่ยนมันอยู่เรื่อยเนะคือดอกไม้ก็ไปซื้อมาเปลี่ยนมันอยู่เรื่อยเปลี่ยนมัอะไรต่างๆก็เหมือนกันอะไรใหม่ๆได้มาเดี๋ยวมันก็เก่าแล้วเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนมันใหม่เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ปล่อยมันก็มันก็ปล่อยวางตัวเอง จิตใจมันก็ถอนออกจากสิ่งภัยนอกไม่ไปหวังจะเอาความสุขมาตต่อไปเสื่อผ้าออกมาชุดใหม่ๆก็รู้ว่าเดี๋ยวใส่ไปสักพักมันก็กลับลยดีนี่ก็ใส่ของเก่ามาเรื่อยๆก็เหมือนกันเรื่องอะไรต้องไปเสียเงินเสีย ท, ทองมนกันเต็มไปทุกกับการหาเงินหาทองมาเสีย อ, อกเสียใจเวลาไม่ได้มีเงินไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ๆมาใสา่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นอ่ะมันจะเห็นไเ่งพิจารณาไปเรื่อยๆ มันจะเชื่อมโยงกันระหว่างความอั น, นิจจังกับความทุกข์มันจะมันจะเชื่อมโยงกันนม่ไม่คิดเองแต่ก็รู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนเห็นง้น ถ, ถึงสภาพที่นอนอยู่ในโรงศพเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ย ว่าเราทุกคนมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีใครไม่ไปโรงศพกันนอกจากตายในอุบัติเหตุแล้วก็มันไหม้ไปเลยอดไหลตะจุยไปเป็นชิ้นเป็นอันไปก็ไม่มีโรงศพที่จะเอาไปใส่ให้แต่ไม่ใชากันเรืองมันก็ต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมกลับคืนสู่ดินน้ำวมไฟเรายังไม่คิดถึงขั้นนั้นนลย มันต้องคิดอยู่ถ้าทุกลมหายใจเขาออกอย่างที่พระพเจ้าทรงสอนพระอนุนว่าให้เจริญนอนน้ำนุสติทุกลมหายใจเขาออกนี้การเจริญนอนน้ำนุสตินี่มันมันมีความละเอียดไงเดี๋ยวพิจารณา่านไหนเราจะเจป็นมอนาน้ำนุสติรเราคิว่าคําว่าตายคำเดียวมันไม่ดึกซึงหรอกแต่เราพิจารณาแยกแยะดูคนที่ตายในดรงศกคนที่เป็นเพื่อนเราอยู่ๆเขาก็ไปนอนตายในดรงศก เราก็คิดถึงว่าต่อไปเราก็เป็นเหมือนเขาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอยู่เื่อยๆมันก็คิดไปอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะมันจะมันจะเพิ่มเข้าไปในจิตในใจทีนั้นตอนนี้มันยังห่างอยู่เพราะมันเป็นเหมือนสัญญาตอนนี้ได้ยินได้ฟังก็เอพอเข้าใจเดี๋ยวพอออกจากที่นี้ไปก็ลืมล้ะไม่คิดถึงมันอีกแล้วแต่ถ้าเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆคิดไปอยู่เรื่อยๆต่อไปมันจะมันจะไม่ไม่ยินดีร้ายกับอะไรมากแล้ว ถ้าเรายังยินดีกับสิ่งต่างๆก็แสดงว่าเรายังไม่เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่าง ๆ, ๆนั้นเรายังไม่เห็นการดับของสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราเลือกยินดีแสดงว่าเราเห็นแล้วถ้าเรามีแค่บริฐานแปะนี้แสดงว่าเราเห็นการเราเท่าที่จําเป็นคือจะมีอะไรก็มีเท่าที่จําเป็นเครื่อ บ, บงเพ็ญเท่านั้นเอง ก็เบิรนเพลนเลือเพื่ออยู่ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไปหรือถ้าเบิร์เพ็นจนบรรลุแล้วก็อยู่ต่อเพื่อเพื่อเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นต่อไปแต่สมบัติก็แค่แปดชิ้นนี้ก็พอหรือถ้าเป็นคราวาสก็ปัจจัยสี่แค่นั้นก็พอหรืออย่างอื่นก็แล้วแต่ความจำเป็นถ้าต้องเดินทางถ้ามีรถยนต์ก็ก็มีไปถ้าต้องติดต่อทุกคนมีโทรศัพท์ก็มีไปแต่มีเพื่อใช้ประโยชน์แค่นั้นเอง แต่ไม่ได้มีเพื่อความรู้หรอเพื่อความโก้เก๋ตามตามสมัยตามแฟชั่นเอะไรเนะี่ยกลับให้่อนนะอะไรเนี่ยอยะกหาว่าเล็วาหาภูราตเล็กภูเรนติกาคารังเอวามีมาอิโตจินาัเตตานังอุปกัรปฏิ เอชิตังปัจิตังตุงหังทิพเทวะสันิชโตสัพพิโูริยโตสังกปราจามโทปัญญะโสยทามานิตโตติระโสยทาสัพพีติโยวิวัชามตุสัพพโรโควินัสโตมาเตปวัสวันตรายโยสุขีที่ขายโกภะ อธิวาธนศิลปะมิจังุทธาปจายโนจตารโรธรรมาวาคานติอายุวันโสุขังอะลางนี่ก็ลังจะทำถึงคุงท่านว่า่ามการสามการสามที่ก็กะมัณทักสามกันว่ามันจะได้เน้นตรงไหนเท่าเทกัน ถามกรหลังนี่จะใหญ่กว่านี้นิดนึงค่ะเพราะถามกหลังนี่จะยาวก็รวกันว่าจะทาปกแบบนี้จะทาคนละสีเป็นเล่มสอก็ไปอีกสีนึ่เล่มที่ไปดีกว่าไม่ต้องมาตั้งชื่อใหม่เล่มที่สองเล่มที่สามไปดีก็แล้วแต่เมตตาจะได้ไม่ต้องมาคิว่าจะตั้งชื่ออะไรชื่อมันก็ชื่อ้ ว, ว่าคงจะได้ประโยชน์นะยังได้ตัวเองมากเลใครเข็นขนาดฟังแล้วอ่านแล้วก็ยังซืนเลยแต่อาจารย์ก็ยอมนับว่ายังไม่ยังไม่อาจจะไม่รอบครอบหรือยังอาจจะขาดตกบกพร่องอะไรม้างนะก็บางทีพูดตรวกจดใกล้อย่างเงี้ยบางที อ, อาจะาจะพูดไม่ครบแต่สำหรับพวกราอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ท่านที่ท่านมีปัญญามากขนาดนี้รู้ก็ได้ เพื่อพูดให้ฟังไว้ก่อนว่าแล้วอ่านแล้วก็แต่เราก็ปล่อยให้มันไปเป็นตามธรรมชาติ <c oughs> ก็ไม่อยากที่จะไปเสียนไปเพิ่มไปเติมอะไรม้มางนอกจากว่าบางทีพูดอะไรมันถึนกการระบายมันออกไปหรือประํบาบ้านของไม่สบายนะ <c oughs> ก็เราเราพูดแบบกระฉับบางทีบางทีไ ม, มต้องมีเกินมีขาดไม่ได้เอาไปแก้ไม่คนรแต่เราทำต่างจ่ายระหว่งพวกเพืคนสูงเราก็ลับกัน เลถ้าที่ไหนมีน้นคอ้องครูบาอาจารย์นกเรนที่จะนักเรที่ทาจไปที่นจะมีแสงสว่างอยู่้ซึ่งเป็นเหมือนกับแส ง, สางอสาทิตย์เวาเราอยู่แสงเดินแสงดาวนก็ปิดแ่านอาจา ก, ก็เป็นแสงของ ล, <c oughs> ล้วเก็จำ <c oughs> หลักถ้ามันอยู่ในที่มืดแสงขนาดนี้ก็ยังพอคป็ปรสว่าง<ะ>มากเลยใกลค่ที่ได้มากราบก็ดีใจที่มีโอกาสได้ทำประโยช ยังทให้คนสามารถได้ประยชนจากการปฏิบัติธรรมํำสอนของพระเจ้าที่มาเนี่ยู็รถมีคนตามมาเรื่อยๆตั้งเยอะเลยนะก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะท่านอาจารเริ่มเปิดตัวแล้วก็ไม่ได้เปิดโยมมาหายยังอยู่เหมือนเดิมยัไม่ได้ไปทอะไรมากกว่าเดิมทุกวันอยู่เหมือนเดิมแล้วก็พอใจกับสภาพที่อยู่ ก็ถ้ามองคุบาชาเ น, นี่ยท่นนัำประโยชน์ให้กับคนยากก็บางทีก็คิดว่าถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ดีแต่ก็ไม่อยากพึ่งอยากไปรื่นรนให้มันเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นไปตามการธรรมชาติของมันเองเมื่อมันถึงเวลามันก็ปนนไปเองไปเองอย่างน้อง ต, ตาเมื่อก่อนที่ท่านก็ไม่มีสมายัยที่จะมาไปอยู่บ้านจากช่วง น, นั้นก็ไม่ค่อยมีคนกล้าเข้าไปวัดทา่านเท่แต่ตอนนั้นท่านไม่โกท่านจะคอยขับไล่ไปตรงนี้ถ่ายเข้าไปก็มีแต่จะ ไร่ก่อยจะว่ไหวคนเลยกลัวกันแต่ไม่ก่อนจริงจะไปวัดอี่นกันไปวัดหนองสขาวไปวัดหนองสีฟันครวัดหนองสโคกันแต่ตอนนั้นคุณบาอาารท่านมาหน้าผาเต็นมนะเองตาท่านก็เลยคลายความดุร้ายมากเไม่ค่อยดุไม่ค่อยว่าคนกยค่อยกล้าที่จ เ, เขาแต่กงานกันแล้วตอนนั้นก็นมาปวดเจ้าเดืยที่ฝั่ททางด่วนเลย <c oughs> เมื่อก่อนนี้ท่านจะเน้นไปที่การฝันขอท่ า, ทานเองเป็นหลักเพราะท่านเองนี้จะเป็นกาลังสาคัญต่อไปที่จะเห็นท่าประสบผนะแล้วตอนนั้นท่านจะเห็นว่ามีครูบาอาจารย์ที่จะอขอเคาะญาติโยมอยู่เยอะท่านจะเลยไม่ค่อยตรวจตั ว, ตวท่านก็มีความเสี่ังเสือและก็อบการฝันอนท่านเองเลือกนักปฏิบัติที่ที่ที่จะรับรับเอรับการเข่งเที่ยวของท่านได้ ด่งนั้นก่อนที่ต้องใจกล้าๆไม่กลัวท่านจะดูดดจหลังจะไล่จะว่ายงั้นก็เฉยได้เนี่ยก็จะเป็นว่างแต่ตอนหลังนี่ท่านก็คงไม่ได้เป็นเหมนตอนหลังีท่านเมตตาปล่อว้างกนจะไมีเด็กไม่ไม่ค่อยได้ทำก็เลยจำกัดพื้นที่เมือเมื่อก่อนเมื่อตอนนี้ท่านมี20ีิตรมากนะ ต่อมาถ้าก็เพิ่มเป็น25 30 40 40หรื้ 4.50 เองยาอยูมเมื่อก่อนนี้ก็มีแล้วนีวโรงครวก็มีแค่เดก8คน10คนอันนี้ว่าเ็นอยู่กันเป็น้อยก็อยู่กัน้่ายหอยท่านผู้ใหญ่อยู่เป็น้อยเหมือนหมู่บ้านแล้วก็ไม่ตาเพราะเราฝันที่ท่านไม่ต้องการอย่างนั้นท่านต้องการให้เป็นที่ดีเด็กจะเปลี่ยไปให้อยู่เป็นคนต่างด้าวอะไร อันนี้นิสัว่าเป็นของนอนอ่านี้ก็เพื่อสงเคราะห์เ้านั่นะะถึงแม้เขาจะไม่ได้เึ็นครับขั้นวิเวกขั้นภาวนาอย่างนี้ก็ได้ทำดุลได้ทังเทศตั้งทำใจมาลักษาสตก็ทำตั้งคนที่อยากปฏิบัติก็ต้องไปหาตำหนักของครบาอาจารย์ที่เรียบเลี่ยบอยงหพ่อถุยวัดท่านอาจารย์อินทวารอะไเนี่